เชิญพรยอดโยมทุกคนวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาให้ธรรมะกับพวกเราที่นี่นะ ได้ประพฤติปฏิบัติกันมาบ้างพอสมควรแล้วมั้งเนี่ยนะมีใครเ อ, อมีความสงสัยอะไรในธรรมวินัยบ้างไหมที่พระศาสดาบัญญัตินะ ตื่นเต้นกับเรื่องโลกจะแตกนะเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้เพระทุกคุนได้ให้ทํามา ก, กับเราในเรื่องสงบโลกและสงบธรรมนะเจ้าค่ะเรื่องโลกจะแตกคงยังไม่แตกเลยเร็วนี้หรอก เ, เหตุผลเพราะพระศาสดาบัญญัติไว้นะไม่ใช่อาจารย์คริกริปพูดเองนะ เราสัจจะความจริงคือสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้บัญญัติเอาไว้พระศาสดาได้พยากรณ์เอาไว้นะในเรื่องที่ว่าอีกหลายแสนปีจะมียุคฝนแรงนะพืชพันธัญญาหารจะตายหมดโลกนะนี่ผ่านมาสองพันกว่าปียัง อีกหลายแสนปียมยังเกิดตายอีกหลายรอบโลกยังไม่พังง่ายยังอยู่และจากนั้นเนี่ยพระุทธเจ้าก็บอกว่า <c oughs> อีกการนานไกลจะมีดวงอาทิตย์ดวงที่สองปรากฏไม่ได้ระบุจำนวนปีละแสดงว่าเลยหลายแสนปีนับกันไม่ไหว <c oughs> ก็เลยบอกว่าอีกการนานไกล ดวงอาทิตย์ดวงที่สองจะปรากฏค้วยหนองคลองบึงต่างๆจะเหือดแห้งนี่โลกร้อนยังร้อนไม่พอนะมีร้อนกว่านี้อีกนอืแล้วบอกว่าอีกการนานไกลดวงอาทิตย์ดวงที่สามจะปรากฏขึ้นแม่น้ําทั้งหลายเนี่ยจะเหือดแห้งนและอีกการนานไกลดวงอาทิตย์ดวงที่สี่จะปรากฏขึ้น มหาสะซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำทั้งหลายเนี่ยจะเหือดแห้งไล่การนานไกลดวงทิศดวงที่ห้าปรากฏเนี่ยทะเลจะเหือดแห้งนะและอีกการนานไกลดวงทิศดวงที่กท ห, หนะ ก, ก, นนกจะปรากฏแนะผ่นดินจะละอุเป็นควันขึ้นมาไนะล่ ก, การนานไกลดวงทิศดวงที่เจ็ดจะปรากฏนะมหาปัตพีจะละลาย อีกนานมากมันต้องมีสิ่งบอกเหตุพวกนี้มาก่อ น, นช่วงนี้คงยังไม่มีอะไรไปอีกนานมาก <c oughs> แต่ภัยวิบัติอะไรต่างๆเนี่ยโยมก็ไม่ต้องไปกังวลมันมากเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าพระสาสดาบอกภัยอันตรายที่ มันอยู่ติดเราเนี่ยน่า ก, กลัวที่สุดคือภัยจากความแก่ความเจ็บความตายนะมันเกิดอยู่ตลอดเวลานะเป็นภัยที่แม่ลูกลักกันขนาดไหนก็ช่วยเหลือกันไม่ได้ในภัยพิบัติต่างๆพระศาสดาบอกว่าบางกลาวลูกก็ยังช่วยแม่ได้หรือแม่ก็ยังช่วยลูกได้แต่ภัยจากความแก่เจ็บตายนะเรียกอมมาตาปุกติกภัย แม่ลูกรักกันขนาดไหนก็ช่วยเหลือกันไม่ได้แม่ตายแทนลูกไม่ได้เจ็บแทนลูกไม่ได้ลูกก็แก่แทนแม่ตายแทนแม่ไม่ได้ทุกคนต้องพึ่งตนเองพระศาสดา จ, จึงบอกว่าอนุนในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงแปงเราก็ดีใครก็ตามจักต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสราณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสราณะ มีทำเป็นประทีปมีทำเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่พระศาสดาจึงให้เราเนี่ยพึ่งตนและพึ่งธรรมะพึ่งอย่างอื่นไม่ได้และพึ่งใครก็ไม่ได้นะพึ่งตนพึ่งธรรมจะทําอย่างไรโยมบอกว่าก็เรายังไม่ดีเลยเนี่ยยังมีกิเลสเราจะพึ่งเราได้อย่างไงพระศาสดาอธิบายกับพระนนลต่อว่าการพึ่งตนพึ่งธรรมหมายถึง พิสูจน์นั้นเนี่ยมันเจริญสติปัฏฐาน4นะเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เป็นประจำเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำนี้เรียกว่าพึ่งตนและพึ่งธรรมะกายเวทนาจิตธรรมพระาศาสดาอธิบายด้วยการเจริญอาณาปานสติเพียงอย่างเดียวนะแค่โยมนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ย เป็นสติปัฏฐานทั้งสี่ในตัวเสร็จครบถ้วนหมดแล้วนะพระศาสดาที่บายว่าถ้าเธอจเจริญานาปานสติให้บริบูรณ์สติปัฏฐานทั้งสี่จะบริบูรณ์ด้วยขณะที่จิตเนี่ยรู้ลมหายใจอยู่เนี่ยใครรู้อยู่กับลมที่ไหลเข้าไหลออกเนี่ยผู้เจ้าเรียกว่า เป็นกายยานุปัสนาสิประทานพระองค์จัดว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลหมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาตและโทมนัสในโลกออกเสียได้นั้นขณะที่เขานั่งรู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกเขากำลังเพียรเผาขิเลห์เขาชื่อว่ามี สัมปชัญญะและมีสติและนำความพอใจไม่พอใจในโลกออกได้แล้ว <c oughs> ถ้าพิสูจน์นั้นเนี่ยทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกชื่อว่าพิสูจน์นั้นตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจัำมีความเพียรเผากิเลสเหมือนกัน ขณะที่โยมนั่งรู้ลมไหลเข้าไหลออกเนี่ยไม่ได้สุกทุกข์ลอยเฉยๆนั่นแหละคือเวทนาอันหนึ่งเป็นผู้เห็นเวทนาในเวทนาขณะที่โยมนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วเห็นว่าจิตเราในกําลังรู้ลมหายใจนี่เรียกว่าเป็นจิตตานุปัสนาสติปัตานพระองค์ตรัสว่าเราไม่กล่าวอาณาปานสติ ว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะการรู้ลมหายใจเนี่ยมีไม่ได้หรอกแก่ผู้มีสติลืมหลงนั้นถ้าเรารู้ลมหายใจอยู่เนี่ยสติเราไม่ลืมหลงแสดงว่าผู้นั้นกำลังเพียนเผากิเลสผู้นั้นกำลังเห็นจิตในจิตชื่อว่ามีสติสัมปชัญญะอย่างถูกต้องนี่จิตตานุปสนารมอย่างนี้ คือรู้ว่าจิตเรากำลังรู้ลมไม่ได้ไปรู้อย่างอื่นอย่างนี้ถ้าขนาที่เรารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยและเราเห็นจิตที่รู้ลมเนี่ยมันเปลี่ยนไปเดี๋ยวมันเปลี่ยนเดี๋ยวมันเปลี่ยนเดี๋ยวกับมาลมเดี๋ยวเปลี่ยนไปเดี๋ยวกับมาลมเดี๋ยวเปลี่ยนไปเห็นความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไม่เหลือความสลัดคืนอยู่เป็นประจำ ศา ส, สดาบอกว่านั่นเรียกว่าเป็นผู้ตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าอธิบายด้วยอานาปานาสัสติเพียงอย่างเดียวก็สําเร็จประโยชน์แล้วนั้นเรานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกก็เป็นสติปัฏฐานทั้ง4ี่ในตัวเสร็จพอเข้าใจไหมง่ายๆนะนั่งรู้ลมหายใจเข้าไว บุคคลใดทำให้มากจเจริญให้มากซึ่งอาณาปานสติผลที่เขาวังได้สองอย่างคือพระอาหารหันต์หรือพระอนาคามีในปัจจุบันนะนั้นอาตมาให้โยมเห็นหลักฐานทั้งหมดที่อาตมาพูดไปเนี่ยมีข้อมูลในบาลีสามรัตทั้งหมดเลยนะ เป็นข้อมูลเก่าที่มีมานานแล้วยมเคยรู้ประวัติบาลีสยามรัฐมะไม่ทราบชาวพุทธทุกวันนี้รู้ศาสนาพุทธเพราะใครทราบมั้นเนี่ยเราไม่เราไม่ทราบ คูู่ปการของรัชกาลที่ห้าอันหนึ่งเพราะว่ารัชกาลที่ห้าเนี่ยประชุมพระทั่วประเทศที่มีความรู้ความสามารถร้อยกว่าลูกที่วัดพระแก้วบอกให้ช่วยกันแปลบาลีสยามรัฐที่เป็นอักษรของนะซึ่งจานลงในใบลานเนี่ยให้เป็นอักษรสยามนะ และทำเป็นรูปเล่มหนังสืออย่างนี้ครั้งแรกในโลกเป็นการพิมพ์พระไตรปิฎกในรูปแบบหนังสือครั้งแรกในโลกน ะ, น, ะนี่คือบาลีสยามรัฐนนะ ม, มีภาพตัวเก่ามสี่สิบห้าเล่มสี่สิบห้าเล่มนะ นี่คือตัวเก่าที่สุดนะเวอร์ชั่นแรกที่รัชกาลที่ห้าทำอาไว้นะบาลีอักษรสยาม <c oughs> <c oughs> รัชกาลที่ห้าเอามาจากไหนรัชกาลที่ห้าให้จัดทำตรงเนี้ย ห้าปีกว่าจะเสร็จจาก2431ถึง2436่นะถึงเสร็จแล้วก็ทยอยทำเป็นภาษาไทยปัจจุบันเนี่ยเสร็จในปี2500นั้นเราไม่มีโอกาสได้รู้ธรรมะเลยถ้ารัชการที่ห้าไม่ทำตรงนี้ขึ้นมาและแจกไปทั่วโลกแล้วก็ทั่วประเทศ พระองค์สละพระราชทรัพย์สองพันช่างพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการพิมพ์บาลีสามัตตตัวนี้สี่หมื่นเล่ม น, น ะ, อ, ะออกแจกจ่ายทั่วโลกและทั่วประเทศเห็นนะเห็นวิสัยทัศน์ของรัชกาลที่ห้าไหมและพระองค์เนี่ยก็บอกว่าท่านได้ตัสว่าอยากให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยถนอมรักษาพระพุทธวจนะ เป็นพระดํารัดของพระองค์ท่านเพราะพระองค์ท่านบอกว่าพระทุกวันนี้ต่างคนต่างสอนสมัยร .5 ก็ต่างองค์ต่างสอนนะไปคนทิศคนลทางนะก็เหมือนนะระบบอาจารย์วิวัแล้วก็ประชาชนของพระองค์ก็นับถือผีถือสางบ้างถือนอนถือนี้พระองค์อยากให้ประชาชนชาวไทยรู้คำสอนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงบอก คณะสงฆ์ทั้งหลายว่าด้วยเห็นแก่พระองค์และพระศาสนาเถิดช่วยกันแปลตรงนี้เป็นภาษาไทยให้หน่อยนะเราจะได้ศึกษาพุทธศาสนากันทั่วทั้งประเทศเห็นนะนี่เป็นพระราชะปณิธานของท่านนะแล้วก็คงได้สำเร็จอยู่นะเพราะชาวไทยทุกวันนี้ก็90กว่าเปอร์เซ็นต์เข้าใจพุทธศาสนาพอสมควรอยู่นะแต่ความผิดเพี้ยนก็ย่อมมีเกิดขึ้นได้นะเป็นธรรมดา ณวันนี้เนี่ยเราเราไม่ได้ <c oughs> เอาบาลีสามลัฐธนี่มาศึกษาโดยตรงนะในบาลีสามลัฐเนี่ยจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นคําที่แต่งขึ้นใหม่และส่วนหนึ่งที่เป็นคําเก่านะที่เป็นพุทธวจนะต่างกันยังไงก็คือว่าเมื่อพระุทธเจ้าตัดไว้แล้วเนี่ยคําแต่งใหม่ก็จะบอกว่าคําพุทธเจ้าตรงเนี้ยขออธิบายว่าอย่างนี้อย่างน นี่คือพูดขึ้นใหม่ไม่ใช่พูทธวันะหลักแค่นั้นเองนะกลายเป็นว่าคำพระศัสดาไม่ได้ถูกนำมาศึกษาณนะวันนี้เป็นเรื่องแปลกพระปฏิบัติก็บอกว่าโอ้อย่าเพิ่งไปอ่านเลยหนังสือเดี๋ยวเป็นหนอนหนังสือกลัวไปอีกกลัวคำพระศัสดานะอ่านแต่คำอาจารย์ตนเองส่วนพระฝ่ายปริยัติก็ศึกษาตัวนี้นะ แต่ดันไปศึกษาในส่วนที่แต่งขึ้นใหม่ไม่ได้ศึกษาพุทธวจนะไม่สมพระราชปณิธานของราชการทีาอีกแม่แห่มันเลี้ยวกันไปเลี้ยวกันมาโยกเห็นนะอ่านี่เป็นปัญหาของชาวพุทธนะปัจจุบันนี้นะเราจึงกลายเป็นมีหลายสายไงมีสายมีนิกรายแตกออกไปทั้งที่พระศาสดาองค์เดียวกันและทำวินยัยศาสดาพระองค์บอกว่าคาพระองค์ไม่มีทางขัดแย้งกัน พระสอนขัดกันไม่ได้นะย่าต้องมีหนึ่งเดียวทาวินัยที่ศาสดาบัญญัติใช่ไหมแล้วจริงๆหลักฐานตรงนี้รัชกาลที่ห้าก็ไม่ได้ทำขึ้นเองนะเอามาจากรัชกาลที่หนึ่งอีก <c oughs> รัชกาลที่หนึ่งเนี่ยสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อีกเหมือนกันทำพระตะ บ, บิดกตัวนี้ขึ้นมานะ เนื่องจากตอนนั้นเนี่ยหมดแล้วประเทศไทยหาหลักฐานตรนนิงไม่ได้ก็เลยยืมข้อมูลหลักฐานพระบิดดกเนี่ยจากลาวจากกรามันมาสองปีแล้วราชการที่1ก็ขอประชุมพระทั่วประเทศได้200กว่าลูกประชุมกันที่วัดภสะศรีสันเพชร ท, ที่อยุธยาทำอยู่5เดือนราชการที่หนึ่งไปตรวจด้วยพระองค์เองทุกวันตลอด5เดือน เช้าไปถวายอาหารเย็นไปถวายน้ำปณนะเราไม่อยากเชื่อเลยว่าพระมาหากษัตริย์นี่ทรงมีวิริยะอุตสาหะขนาดนี้ใช่ไหมอ่าและเห็นความส ำ, สำคัญของคำพระผู้มีพระภาคเจ้าขนาดนี้ควบคุมด้วยพระองค์เองเลยไปเยี่ยมไปถวายพัตต า, ารพระตลอดห้าเดือนจรเสร็จนะนี่เพราะนั้นรอห้าได้ จากรอหนึ่งตรงนี้บาลีสามนัน <c oughs> <c oughs> นะตนี้ในโซนสวนณภูมิเนี่ยเอาข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนโยมเอามาจากยุคล้านนานและยุทธวาราวดีสมัยขอมเรื่องอำนาจตอนนั้นนะช่วงทวาราวดีเป็นช่วงรอยต่อที่พระเจ้าโศกมหาราชซึ่งอยู่ประมาณ200ปีหลังพู้เจ้าปรินิพานได้มีศรัทธาในคำสอนพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ส่งสมณทูตไปก้าสายกระจายไปทั่วโลกเห็นนะยมเห็นผู้นําที่มีสัมมาทิฏฐินะจะเผยแผ่คําพระตถาคตนะจะช่วยปกป้องรักษาคําพระผู้มีพระภาคเจ้านะไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าโศกราชการที่1ราชการที่หเจริญทั้งนั้นสามยุคนี้จเจริญหมดเห็นนะ <c oughs> ประเทศในแถบสุวรรณภูมิไม่ว่าจะเป็นประเทศใดๆหลายประเทศก็ลอกกันไว้หมดนะ เก็บข้อมูลไว้รัชการที่ห้าเนี่ยบอกเลยว่าเมื่อประเทศไหนเนี่ยถูกตีล่มสลายไปแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่ก็จะหยิบยืมพระตาบิดกประเทศข้างเคียงเอามาลอกต่อน ะ, อะเพราะเวลาแต่ก่อนตีกันก็จะเผาทิ้งกันหมดเลยนะอย่างเงี้ยนั้นก็พระเจ้าโสก ก็มีคุณูปการถ้าเราไปที่อินเดียเราจะเห็นเสาหินโศกนะนี่เลือกอักษรพราหมีภาษาประจิตเป็นต้นกำเนิดอักขระของอินเดียในปัจจุบันนะนั้น <c oughs> พระเจ้าโศกกเ็เก็บคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเทคโนโลยียุคนั้นคือเสาหินใช่ไม้มรอหนึ่งเก็บในไบลานรอห้า ทำเป็นหนังสือเป็นเทคนิคใหม่ในยุคนั้นหนังสือในสุดยอดเลยรอห้าบอกว่าพิมพ์ได้ทีคราวแล้วมากๆไม่เอาแล้วจานลงในใบลานไม่เอากว่าจะหาช่างจานได้ก็ยากกว่าจะจานได้ก็ช้าบอกสู้พิมพ์เป็นหนังสือไม่ได้เร็วกว่าดีกว่านี่วิสัยทัศน์ของพระองค์เห็นไ่านั่นจากเดิมที่ใช้ในยุคพระพุทธเจ้าใช้การทรงจาและถ่ายทอดทางปากมาตลอด ก็เริ่มมาสลักลงในเสาหินเริ่มมาลงในใบลานเริ่มมาทำเป็นหนังสือรอเก้ามาทำเป็นซีดีเห็นเห็นะแล้วแต่เทคโนโลยีในยุคนั้นๆใช่ไหมเมื่อรอเก้าทำเป็นซีดีปุ๊บเนี่ยนะอัตมาก็ต่อยอดทำลงใน iphone ipod ipad นะมือถือของทุกคน นะสามารถโหลดได้ถ้าที่นี่มี Wi-Fi โหลดเดี๋ยวนี้ก็ได้ไม่เกินหนึ่งนาทีข้อมูลจะเข้ามาในมือถือของพวกเราทุกคนนะ <c oughs> แล้วยมจะได้แอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมานะก็คืออ e ีเตปิตกะนะคือตัวนี้กดปั๊บก็พระต บ, บิโดกจะขึ้นมาอ่านะแล้วยมสามารถเทียบเคียงบารลีได้เลยทันทีกดเทียบเคียงปั๊บนี่นะบาลีไทยขึ้นคู่กันเลย หน้าต่อหน้าเลื่อนดูได้เห็นนะนศึกษาบาลีไปเรื่อยๆได้เห็นนะบังเอิญเรามีพระที่เข้ามาบวชที่วัดแล้วจบเอกด้านการเขียนโปรแกรมก็เลยทำให้ <c oughs> นะโชคดีมั้ยโยมอยู่ที่ไหนในโลกโยมก็ดึงข้อมูลเหล่านี้ได้ทำเข้าในลงในอของ a อ p l e ใน App Store โยมคีย์คำว่าพุทธวจะนะเข้าไปปุ๊บติดตั้งเข้ามาได้เลยอินสตอลติดตั้งในเครื่องโยมได้ นายโยมไปอยู่ในป่าในรายโยมก็สแกนได้สืบค้นได้นะอ่าเท่ากับว่าโยมเนี่ยมีคำสอนพระศัสดาอยู่ในมือของเราทุกคนแล้วนะวันนี้นะอ่าต่อยอดต่อยอดนะอ่าแล้วเช็คได้ทั้งบาลีและไทยรวดเร็วมากนะอาตมาอยากให้อ่พุทธบริษัททุกคนเนี่ยมีคำสอนศัสดาอยู่ในมือ แล้วพร้อมกับโปรแก ร, รมในการสแกนตรวจหานะนั้นสมมุติว่าถ้าโยม <c oughs> ต้องการตรวจเช็คนะโยมก็กดว่านขยายตัวนี้นะโยมจะตรวจเช็คลายคีย์บอร์ดจะขึ้นมานะอย่างสมมุติโยมจะหาคำว่าอะไรอยากตอบแทนนะ อตอบแทนบุญคุณบิดามารดาเอ๊ะเราจะทำไงโยมก็ใส่คาว่าตอบแทนนะอตอบแทนเข้าไปนะ อ, นะอาวุโสมารอาจจะเขียนและตอบแทนกดค้นหาวินาทีเดียวขึ้นมาแล้วนะอ่าใ น, นี้โยมก็เราก็ดึงพะสูตรขึ้นมานะพอดึงพะสูตรขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการกระทําตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้งสองท่านทั้งสองคือใครคือมารดา1บิดาหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุตรพึงประคับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่งพึงประคับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่งเขามีอายุมีชีวิตอยู่ตลอดร0อยปีและเขาพึงปฏิบัติท่านทั้งสองนั้นด้วยการอบกลิ่นการนวดการให้อาบการดัดและท่านทั้งสองนั้นพึงทายอุจจาะปัสสาวะ บนบาททั้งสองของเขานั่นแหละเห็นนะดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายการกระทําอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุรทาแล้วหรือตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยโอ้โห <c oughs> เห็นไนหะ <c oughs> แบกพ่อแม่ด้วยบาทสองข้างท่านอุจลราัสวะลดเหลาป้อนข้าวป้อนน้ำดูแลท่านอย่างดียังไม่ชื่อว่าตอบแทน <c oughs> นะ <c oughs> เพราะพ่อแม่มีบุญคุณมากนะ อันหนึ่งบุดพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติอันเป็นอิสลาธิปัตดในแผ่นดินใหญ่อันมีลัตนะเจ็ประการมากหลายอย่างนี้การกระทํากิจอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้วหรือตอบแทนแล้วแกมารดาบิดาเลยยกราชะสมบัติทั้งแผ่นดินให้ก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนเห็นนะ <c oughs> เพราะมารดาบิดามีอุปการะมากบํารุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายส่วนบุตรคนใด ยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้สมาทานตั้งมั่นในศรัทธาสัมปทาบิดามารดาเราที่ไม่มีศรัทธาเราพยายามชักจูงให้เขามีศรัทธานะยังมารดาบิดาผู้ทุศิลให้สมาทานตั้งมั่นในสีลสัมปทายังมารดาบิดาผู้มีความตรณีนะนะ่ให้สมาทานตั้งมั่นในจาระสัมปทา ยังมารดาบิดาสร้ามปัญญาให้สมาทานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แหละการกระทําอย่างนั้นย่อมชื่อว่าอันบุตรนั้นทําแล้วและตอบแทนแล้วแกม่มารดาบิดาแค่นี้เองเดอเห็นไหมให้ธรรมะให้ธรรมะแก่บิดามารดาชักจูงมาให้ท่านเนี่ยมีศรัทธามีศีลมีจาระมีปัญญาให้ได้เพราะสี่อย่างนี้ มานาบิดาเรากําลังได้ความเป็นโสดาบันบุคคลแล้วด้วยคุณสมบัติตรงนี้เห็นนะนั้นโยมอยากจะสืบค้นอะไรเนี่ยทําได้หมดเลยนะหรือว่าเออชาติหน้าอยากสวยรวยสูงสัก์ทํำยังไงเนาะโ <laughs> ยมก็ขีคําว่ารูปงามเข้าไปอยากรูปงามเหลือเกินนะอ่าแล้วก็เอายังไงดีมีทรัพย์เยอะๆนะก็ขีคําว่าทรัพย์เข้าไปนะอ่า แล้วก็สูงศักด้วยนะอืมไม่พะเอาหมดเลยนะเอาให้ครบเลยก็รูปงามสูงสักแล้วพระซับกดค้นหานะ <c oughs> ปั๊บนี่ก็จะออกมาละอืมเราก็ดึงพระสูตรขึ้นมาดูเอจะเป็นผู้มีรูปงามนะผิวพรรณงามแล้วก็ร่ํารวยเนี่ยจะทํำยังไงนะปรากฏว่าพระนางมริกาถามพระาศาสดาถึงเหตุปัจจัยตรงนี้ เห็นนะพระศาสดาก็าตอบพระนางมาริกาบอกว่าด네ูก <ator> ่อนพระนางมาริกามาตุคามแปลว่าผู้หญิงบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏ เป็นผู้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายัดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปลายที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปพรมไฟแก่สมณะหรือพราหมณถ้ามาตุคามนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าชมประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิผวพรรณงามยิ่งนักทั้งเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีพกสมบัติมากและสูงสักแค่นี้เองเห็นนะไม่ยากเลยเห็นนะ และเป็นคําจริงที่าศาสดาบัญญัติไว้ด้วยเนื่องจากว่าข้อมูลนี้เนี่ยกระจายอยู่ทั่วโลกแล้วเราอาจจะไม่ทราบแต่เมื่อระยะเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองที่มีการอัญเชิญธรรมเจดีมาจากอฟัฟกานที่ไปค้นพบเจอที่อัฟกานิสถานนะจากนอร์เวย์เนี่ยนะทำให้เราทราบว่าข้อมูลนี้กระจายอยู่ทั่วโลกนะ anto, <c oughs> นี่คือสถานที่ที่ไปเจอ นะในถ้ำในอัฟก า, านิสถานนี่คือถ้ำที่ไปพบนะตรงที่เขายิงปืนทะลป่าใช่ใช่ใช่แล้วก็เลยนักโบราณคดีเข้าไปเจอนี่ใบลานนะจารึกอักษรแตกเป็นสิ่งเสี่ยงเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนี่เห็นนะแล้วก็เลยนํามาพยายามมาต่อกันโอ้โหนี่นักโบราณคดีชาวญี่ปุ่นนี่นะแล้วก็พวกฝรั่งทั้งหลายเนี่ยพยายามทำ เป็นชิ้นจนได้เห็นนะโอ้โหไม่หมูนะเนี่ยนะโอ้อยากมาทํากันหลายปีมากต้องใช้คอมพิวเตอร์ใช้ลายต่ออะไรช่วยว่าไอ้รอยต่อรอยอยากมันจะมายังไงอะไรยังไงนะและจนแปลเป็นอักษรนะแล้วแปลเป็นภาษาไทยปรากฏว่าเป็นเรื่องอะไรตรงกับเรื่องในบาลีสามรัฐของเราทั้งหมดเลยเห็นไหมตรงกับเสาหินโศกนะไม่น่าเชื่อนี่คือคําพระศาสดา จึงบอกไนะสายนิกายไม่มีหรอกมีแต่รรมินัยของศาสนาจะตรงกันเป๊ะหมดนะอันนี้เป็นการสอนเรื่องอบายมุขที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กนั่นแหละแต่มีคนพูดมา 2,000 กว่าปีแล้วใช่นั่นคือเราจะรู้ว่าศาสนาเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นร0 0ย0 0ปีมีคนพูดเรื่องนี้มา 2,000 กว่าปีแล้วเปลี่ยนใหม่ไม่ได้นะ พระศาสดาคือคำพูดที่ถูกต้องที่สุดพระเจ้ <c oughs> าบอกว่าอย่างไงอริยสาวกไม่เสพทางเสื่อมแห่งโภคะหกทางเป็นอย่างไรเล่าข้าบดีบุตรการตามประกอบในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนื่องด้วยของเมาคือสุราและเมล์ลายเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะเห็นไนหะบอกอย่ <c oughs> าดื่มสุราโภคะจะเสื่อมนะการตามประกอบในการเที่ยวตามเปอกซอกซอยในเวลาวิกาลเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะ การเที่ยวไปในที 1, like uh, ่ชุมนุมแห่งความเมาเป็นทางเสื่อมแห่งโควคะการเล่นการพนันคบมิตรชั่วเกียร์ครานเห็นไหมเหมือนที่เราเรียนสมัยเด็กๆเลยนะนะเห็นไหมอบายมุขหกเนี่ยนี่เห็นนะมอ่าแล้วมีอีกเยอะนะประเทศเราก็มีเหมือนกันนะประเทศเราเจอที่ลบบุรีกับเพชรบูรณ์พันกว่าปีเหมือนกันอ่าอันเนี้ยเมื่อเมื่อเีค่ไบลานเมื่อแค่พศห หลังผู้เจ้าปรินิพานประมาณหกปีเาวินาโศกพศสองร้อยนะอ่าส่วนอันนี้ประมาณพันกว่าปีของประเทศไทยเจอที่ลบบุรีอันนี้นะอักษรปรลวะนะภาษาบาลีที่ลบบุรีเนื้อหาคืออะไรสลายยตนะปัจจยาผัสโสเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีภาษาปฏิจจสุบาทเห็นไหมไม่น่าเชื่อนะเนี่ยอ่า จร่งบรอกไงข้อมูลนี้แผ่ไปสารไปทั่วโลกผู้เจ้าบอกแล้วว่าสมัยพระองค์าศาสนาเนี่ยแผ่ไปสารไปทั่วโลกแล้วนะนี่ที่เพชรบุญเจอหินแกะสลักอันนี้อักษรตลรวะภาษาบาลีเหมือนกันเนื้อหาคือเพราะดับเวทนาตันหาก็ดับปฏิจจสุวารคอีกเหมือนกันเห็นนะ ท่านี้ตรงนเนี้ยเนี่ยนะอยากจะให้เห็นความสำคัญในคำพระศาสดาว่าทำไมเราจึงต้องย้อนกลับไปที่คำพระศาสดาเป็นเพราะว่าพระองค์มีความสามารถในเชิงการพูดซึ่งเราไม่เคยทราบสามอย่างหนึ่งพระองค์กำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดตราบกับอคคิเวสนะ บอกอคุเวสนะจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินีน้อันเป็นในภายในพระองค์กำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดย่อมดูสิสาวกไม่มีใครทำได้หรอกน ะ, ะ <c oughs> ความสามารถอย่างที่2พระองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายนับตั้งแต่ราตรีที่ตถาคตได้ตรัสรู้กระทั่งราตรีที่ตถาคตได้ปรินิพานตั้งแต่คืนตรสัสรู้เยนะนะจนคืนปรินิพาน ตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคำใดถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิน้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยแย้งกันไม่ได้จึงบอกสายมีไม่ได้45ปีที่พระพุทธเจ้าสอนมาเนี่ยไม่มีการขัดแย้งกันแม้แต่คำเดียวยืนยันโดยพระาศาสดาของเราเห็นนะและอย่างที่3พระาศาสดาบอกว่าคาของพระองค์เป็นอากาลิโก ถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลาอาตมาแสดงหลักฐานพวกนี้เพื่ออยากให้โยมทราบว่าพระศาสดาเราเป็นมนุษย์จริงๆเนี่ยนะเมื่อสองพันกว่าปีเป็นมนุษย์ที่ผ่านการฝึกฝนชื่อสิท ธ, ธัตถะเป็นลูกกษัตริย์ออกบวชนะออกจากเกลือนสแสวงหาความไม่ตายทำยังไงจะไม่ตายอย่างนี้อ่าั้นประเด็นของพระองค์เนี่ยคือว่าพระองค์มาสอนเรื่องความไม่ตาย หลังจากศึกษากับฤาษีโยคยีทั้งหลายจนได้ไดิได้ปฏิหารอะไรหมดแต่พระองค์ก็บอกมันยังไม่รอดทนจากความตายจึงออกสแสวงหาด้วยพระองค์เองจนค้นพบอริยสัตสีแล้วถ่ายทอดบอกสอนนะจนกระทั่งมีผู้ศรัทธาเข้ามาบวชในธรรมวินัยของพระองค์เป็นภิกษุภิกษุณีอุบาอัแล้วก็พุทธบริษัทอุบาสกบาสิกาทั้งหลายนะ แล้วมีการช่วยกันทรงจําคําสอนนี้ผ่านมา 2,500 กว่าปีอ่านี่ให้เราเห็นภาพว่ามันเป็นภาพอย่างนี้ไม่งั้นบางคนก็จะมองโอ้ผู้เจ้าเป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้มันไกลเหลือเกินมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะอย่างเนี้ยแต่พออย่างนี้พอเราสาวประวัติศาสตร์ไปให้ใกล้ขึ้นใกล้ใกล้ใไปนิดปุ๊บโยมเราเห็นภาพเหมือนกับผู้เจ้าอยู่ตรงเนี้ยเหมือนอยู่เมื่อวานอย่างเนี้ยใช่ไหมอ่ามันจะเป็นอย่างนั้น และถ้าเราช่วยการศึกษาคำสอนของพระองค์เนี่ยเอาละทีนี้เราจะยิ่งใกล้พระองค์ไปเรื่อยๆอย่างนี้และคำสอนพวกนี้อ่หลายคนอาจจะมองว่าโอ้ยากมัง้งแต่จริงๆไม่ยากเพราะณนะวันนี้เราปั้นเยาวชนเจ็ดแปดขวบได้แล้ว<ม>นะสามสิบสี่สิบคนท่องพุทธวจนะได้ สงสัยมีการสักถามปัญหาในพุทธวัชนะจะให้ลองดูตัวอย่างสัก <c oughs> คนหนึ่งน้องน้ำบุญอย่างนี้นะน้องน้ำบุญนะเรามีซีรีส์เด็กเลยนะอ่ายี่สิบสามสิบคนเนี่ยนะท่องพระสูตรจ้อย่อยเลยนะ อนนี้ในค่ําวันเสาร์ช่วงค่ำวันเสาร์อาตอมาตอบปัญหาทางอินเทอร์เน็ตถ่ายทอดสดไปทั่วโลกแล้วก็ตอบปัญหาจากทั่วโลกนะทุกค่ำวันเสาร์ทุ่มถึงสามทุ่มนะน้องน้ำวุ้นก็มาด้วยเราบรรยายที่สามห้องนะแล้วก็เชื่อมภาพเชื่อมอะไรกันไป มีปัญหาปห า, าน ะ, ะบางคราวเขาก็ท่องปฏิจจสุบาทนะวงรอบเกิดวงรอบดับแล้วเขาก็มาถามอาตมาว่าภพคืออะไรคะชาติคืออะไรคะเราก็ได้อธิบายไปไงเห็นนะอ่าอย่างเงี้ยได้ประโยชน์มากเยอมยอมมีคนหนึ่งเนี่ยแม่เขาให้ฟังพุทธพจนะตั้งแต่หขวบอตอนนี้ห7เจ็ดแปดแปดขวบนะ 2ปีเ้านึกว่าไม่ได้อะไรปรากฏว่าเด็กวิเคราะห์ได้หมดเลยน ะ, ะนั่งรถไปกับแม่น ะ, ะก็เจอพระโบกรถแม่ก็จอด <c oughs> พระขอเงินแม่ก็ให้องุ่นไปพวงหนึ่งปังปอนก็นั่งมองอยู่ในรถอยู่ตลอดแล้วแม่ก็ขับไปปังปอนก็ถามว่าแม่สนับสนุนพระผิดแม่ไม่บาปเหรออืม เขาบอกว่าพระมาของเงินไม่ได้นะพระน่ะอย่างนี้ใช่ไหมแม่ก็บอกก็นนี่ไงแม่ก็เลยไม่ได้ให้ก็เลยให้องุนไปไงลูกลูกก็บอกว่าเนี่ยลูกก็เลยไม่ได้ห้ามแม่ไงเพราะพระผู้เจ้าบอกว่าผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าไม่ใช่มิตรโอ้โหวิเคราะห์ขาดหมดเลยนะโยมแม่เข้ามาเล่าให้ฟังด้วยความดีใจว่าลูกเขาเนี่ยเกบ คำสอนพระศาสดาได้แล้วก็นํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยอย่างเนี้นั่นอนตาตมาว่าถ้าเด็กเนี่ยได้ฟังคําศาสดามันจะมีพัฒนาการด้านสมองเพราะว่าคําพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันหมดเขาจะพอเขาทรงจําได้มากเขาจะอ๋อไอ้พสัสตรนั้นเชื่อมกับพระสูตรนี้นี่พระสูตรนี้เชื่อมกับอันนั้นนี่มันจะโยงกันต่อกันหมดนี่คือความสามารถของศาสดาเราในด้านการพูดนะ ก็เลยยกตัวอย่างให้โยมดูนะเผื่อใครมีลูกม kind of ีหลานก็จะได้ให้ลองฟังพุทธพจนะฟังทรงจำไปเรื่อยเด็กเก็บได้เององโยมนะก็ค่อยๆต่อยอดตรงนี้ไปนะเออ อัต่มาก็คิดว่าถ้าเราช่วยกันและทาได้เนี่ยในอนาคตเนี่ยศา ส, สนาพุทธจะเป็นหนึ่งเดียวอย่างน้อยเราสร้างในประเทศก่อนถ้าประเทศเป็นหนึ่งเดียวน ะ, นะทั่วทั้งโลกก็ดูตัวอย่างจากประเทศไทยได้แล้วจะแผ่ภัยสารไปทั่วโลกอีกรอบหนึ่งซึ่งพระเจ้าบอกเกิดได้ยากมากนะสามอย่างที่เกิดได้ยากเสมอกันหนึ่งการเกิดมาเป็นมนุษย์ 2. การได้ความเป็นอรันต ส, สัมมาสามพุทธเจ้า 3. การที่ศาสนาจะแผ่ไปสารไปทั่วโลกยากขนาดไหนเปรียบเหมือนน้ำเนี่ยท่วมโลกใบนี้ทั้งใบมีบุรุษคนหนึ่งหย่อนแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงในน้ำนั้นนะลมก็พัดแอกไม้ไผ่ไปเหนือใต้ออกตกในน้ำมีเต่าตาบอดร้อยปีมันโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งผู้เจ้าบอกว่า เป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอดเนี่ยร้อยปีโผล่มาหายใจทีหนึ่งจะเจอแอกไม่ไผยนี้แล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียว โ, โหสาวบอกยากมากนะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะผู้เจ้าบอกนี่แหละความยากในการเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะนั้นก็เลยบอกว่าสามสิ่งเนี่ยยากเสมอกันนะเห็นนะ และตอนนี้ผู้เจ้าก็บอกว่าขณะนี้เธอก็ได้อัตภาพความเป็นมนุษย์แล้วก็เลยบอกว่าให้เธอทั้งหลายเนี่ยพึงกระทําโยคกรรมคือการกระทําอย่างเป็นระบบเพื่อให้รู้ว่านี้คือทุกนี้คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกนี้คือความดับทุกขนี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกดังนี้เถิดอย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปนะเก <c oughs> ิดเป็นมนุษย์ก็ยากแล้วนะแล้วมนุษย์ที่ตายไปแล้วเนี่ยโยม แล้วกลับมาได้เป็นมนุษย์ใหม่เนี่ยน้อยมะหรือมากน้อยน้อยขนาดไหนหรู้ไหมผู้เจ้าเอาเล็บเนี่ย <c oughs> เคีย่ยวเศษดินขึ้นมาอ่าแล้วก็ถามสาวกว่าเศษดินที่ปลายเล็บกับดินในมหาปฐพีเนี่ยอันไหนมากกว่ากัน <c oughs> สาวกบอกมหาปฐพีมากกว่าเยอะเลยบอกเนี่ยมนุษย์ที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเหลือแค่นเนี่ย โอ้โหยอะที่เหลือเนี่ยถ้าจะเ9 9 9สิบาจากรเลยมัมันจะไปที่อื่นหมดเลยนะและไปไหนบ้างผู้เจ้าบอกไม่แน่นอนเพราะผู้ที่แน่นอนจริงๆคือโดาบันเท่านั้นต่ำกว่าโดาบันไม่มีความแน่นอนพระองค์อุปมาเหมือนอะไรเหมือนการซัดไม้ขึ้นไปในอากาศนะบางคราวเนี่ยเอาโคนลงบางคราวเอาปลายลงบางคราวเอาท่ามกลางลง บางทีก็ลงต่ำบางทีก็ขึ้นไปสูงนะไม่มีความแน่นอนน ะ, ะ <c oughs> เกิดเป็นมนุษย์ยากมากจัง <c oughs> ก็ให้พวกเราเนี่ยพยายามนะพยายามทำตรงนี้นะปฏิบัติตามรมรรคมโยงแปดให้มากอพอเห็นคำตรงนี้อยากให้ความรู้โยมอีกอย่างหนึ่ง สัตว์ที่มีวิชาเป็นเครื่องกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องผูก <c oughs> ชาพุทธมักจะบอกว่าวิญญาณเวียนไหวตายเกิดจริงๆแล้วผู้เจ้าบอกไม่ใช่สาติเกวัตตบุตรพูดว่าวิญญาณเวียนไหวตายเกิดพระศาสดาเรียกมาสอบใครสอนเธอที่ไหนเมื่อไหร่ <c oughs> สาธิตตอบไม่ได้ผู <c oughs> ้เจ้าสั่งประชุมสงฆ์ทั้งหมดถามภิกษุทั้งหมดว่า ใครเคยได้ยินว่าตถาคตสอนว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่มีพิสูยยกมือเลยเง <g ười> ียบกันหมดนะอผู้เจ้าเลยบอกสาติเรากล่าวว่าวิญญาณ น, นั้นเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมโดยปริยายเป็นอันมากไม่ใช่หรือคือเกิดเพราะเหตุปัจจัยดับก็ดับเพราะเหตุปัจจัยและเกิดดับตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นไม่มีวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดนะวิญญาณในโลกธานเนี่ยเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเลย <c oughs> <c oughs> แต่ใครล่ะที่เวียนไหวตายเกิดมันต้องมีคนหนึ่งสิเพราะผู้เช่าก็เคยบอกอดีชาติท่านเป็นอันนั้นอันนี้ใช่ไหมแสดงว่ามันมีใครสักคนเนี่ยที่มันเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสังสารวาัฏสิ่งนั้นคือตรงนี้ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกมันมีสิ่งหนึ่งซึ่งมีอวิชชาคือความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมันและมีตันหาความอยากเนี่ยเป็นเครื่องผูกติดอยู่ในภพ จึงทําให้เกิดตายไปกับขันห้านะไปยึดถือวิญญาณว่าเป็นเราและเมื่อวิญญาณเกิดดับไปกับอารมณ์ต่างๆก็เกิดตายไปกับวิญญาณไปเรื่อยๆเข้าใจผิดหลงผิดนี่คือความเป็นจริงก็เลยวิญญาณเวียนเกิดตายเนี่ยไม่มีนะอ่านะ <c oughs> วิญญาณเกิดดับตลอดขณะที่โยมนั่งอยู่นี้วิญญาณก็เกิดดับไม่รู้เท่าไหร่แล้วขนาดที่ไปคิดปุ๊บเกิดนะนั้งอยู่สักพักหนึ่งโยมดึงกลับมาดับ รูปเกิดตั้งอยู่สักพักหนึ่งหลุดไปคิดอีกรูปดับนามเกิดนะตั้งอยู่สักพักหนึ่งดึงกลับมานามดับรูปเกิดเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเลยเห็นไหมเราไปคิดว่าภพเป็นเรื่องของรูปประธาต์อย่างเดียวแต่ภพนั้นคือสถานที่เกิดซึ่งมีนามธรรมาอีก3ามตัวเวทนาสัญญาสังขารกับรูปอีกหนึ่งเป็น4ี่ธาตุเพราะนั้นภพมีสตัวนี้ผู้เจ้าเรียกมันว่าวิญญาณทิติฐานที่ตั้งของวิญญาณมี4อันนี้เห็นไหม เพ้นพบชาติชรามันนะเกิดตลอดเวลาเลยแล้วเวลาที่โยมนะยังโยมรู้ลมหายใจแล้วหลุดไปคิดอดีตอย่างนี้นะมันไม่ใช่ว่าวิญญาณตัวนี้วิ่งจุดจุดจุดจุจุดจุดไปหาตัวนี้นะไม่ใช่นี่คือความเข้าใจผิดของมนุษย์หรือสัตว์โลกทั้งหลายคิดว่าวิญญาณเนี่ยวิ่งไปท่องเที่ยวไปในอารมณ์นั้นอารมณ์นี้แต่สั์จากความจริงแล้ว เวลาวิญญาณเปลี่ยนจากอารมณ์นี้ไปรู้อารมณ์นี้ผู้เจ้าบอกมันจะมีตายและมีเกิดนั่นคือวิญญาณคนละดวงกันไม่ใช่ดวงเดียวกันมันจะตายก่อนแล้วก็เกิดใหม่ผู้เจ้าจึงบอกวิญญาณ น, นั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนความเร็วในการเกิดดับของมันเนี่ยยากที่จะหาอุปมาด้วยซ้ำนะพระองค์จึงอุปมาเปรียบเหมือน ฝนตกลงมาบนผิวน้ําแล้วเกิดเม็ดฟองขึ้นในผิวน้ํายมนับไหวมาเป็นแสนเป็นล้านเต็มไปหมดเลยเต็มท้องทะเลเต็มท้องแม่น้ําก็ดับยุบยุบยุบเต็มไปหมดเลยนี่คือการเกิดดับของวิญญาณทั่วโลกาธาตุเป็นอย่างนี้นั้นไม่มีวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่มีวิญญาณเกิดดับตลอดเกิดดับเกิดดับเกิดดับนะแต่ผู้หลงเนี่ยพอวิญญาณดวงนี้ดับปั๊บผู้หลงยึดวิญญาณดวงใหม่วิญญาณดวงใหม่ปั๊บเข้าไปเกิดในลมใหม่เราก็นึกว่า เรารู้อารมณ์นี้ต่อแต่จริงๆวิญญาณคนละดวงกันแต่เราเข้าใจผิดคิดว่าเป็นดวงเดียวกันนะเพราะนั้นพระองค์เรียกอย่างนี้ว่าการมาการไปจิตยมหลุดไปคิดเช่นไปคิดอดีตปั๊บสักพักหนึ่งสองสามนาทียมดึงกลับมานี่มีมามีไปเห็นนะอ่าขณะที่มีมามีไปนะการมาไปเนี่ยมันมาไปจากอะไร พระองค์เรียกว่านาติคือความน้อมไปนะพระองค์จึงบอกว่านาติยาอาสติอาคติคตินโหติถ้าการน้อมไปไม่มีเนี่ยการมาการไปจะไม่มีเห็นนะอาคติคติยาอาสติจูตูป ป, ป, า, ปาโตนโหติถ้าการมากันไปไม่มีการตายและเกิดก็ไม่มีเห็นนะนั่นแสดงว่าเมื่อมีการมาไปเนี่ยจะมีตายและมีเกิดนั่นเองพระเจ้าไม่ได้บอกเกิดตายด้วยนะต้องตายก่อนแล้วถึงเกิด บอกเรียงลําดับกันเป๊ะด้วยนี่คือสุดยอดของคำศาสดาอาการจิตตละการเนี่ยพูดตรงเป๊ะชัดเจนนั้นเวลาเรานั่งปฏิบัติปั๊บแล้วอ่านคำสอนพระศาสดาจะเห็นว่าตรงเปะ๊ะเชะเชะเ ช, ชะหมดเลยไม่มีพลาดเลยยมจะยิ่งศรัทธาพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราโอ้โหสุดยอดสุดยอดมากนะบอกอะไรไม่เคยพลาดนะอ่า <c oughs> และพระองค์ก็บอกว่า จตูปะปาเตอสติในวิทัหนหูรังณอุกยัมันเเรถ้าการตายและการเกิดไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างแหล่งโลกทั้งสองเอเสวันโตทุกขสัตนั่นแหละคือที่สุดของทุกนั่นคือโยมต้องเอาจิตอยู่กับกายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่าให้จิตเคลื่อนไปสร้างการเกิดเมื่อเกิดปั๊บให้ละนันทิทันทีละความเพลินแล้วตั้งจิตอยู่กับกายเขาไว จิตจะวนอยู่ในสี่ธาตุรูปเวทนาสัญญาสังขารสี่ธาตุนี้อยู่ตลอดเวลาวนไปวนมาผู้เจ้าให้เอาจิตเนี่ยมาตั้งอยู่กับกายซะแล้วทิ้งไอ้สามขันธ์ที่เหลือนี้ให้ไวที่สุดน้องน้ําบุ่นเมื่อกี้จึงบอกว่าทําไมผู้เจ้าบอกเวทนาสัญญาหรือสังขารหรือวิตตกเนี่ยสามขันธ์ใครเห็นเกิดดับนั่นคือความอัศจรรย์เพราะอะไรเพราะใครเห็นสามขันธ์นี้เกิดดับคนนั้นจะเข้าวิมุตต์ได้น่ะ อ่าเป็นสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะ <c oughs> สติจะได้ถูกฝึกเร็วขึ้นเร็วขึ้นให้ทิ้งอารมณ์ไว้ขึ้นไว้ขึ้นพอโยมทิ้งอารมณ์เนี่ยโยมหลุดจากลมหายใจพุ่วไปปุ๊บโยมกลับมาถ้าโยมกลับมาได้เร็วดุจกระพิบตาศาสดาก็ชมว่าเธอมีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลยตรัดไว้กับพระอ น, นุนบอกอ น, นุนอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจ อันบังเกิดขึ้นแล้วแก่พิสูจน์นั้นดับไปได้เร็วดุดการกระพริบตาของคนอุเบขายังคงเหลืออยู่นี่เรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเห็นไหมนั้นเครื่องวัดความสามารถความก้าวหน้าในการภาวนาพระศาสดาให้เอาความเร็วในการกลับมากลับมาที่เสาขืนเสาหลักกล้ของเราเนี่ยเป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าและถ้ายมกลับมาได้เร็วดุดกระพริบตาคือเมื่อจิตหลุดจากลมพวกกระพริบตาเดียวกลับมาได้นะพระเจ้าก็ ให้พยากรณตนว่ามีอินทรีย์พนาชั้นเลิศแล้วนะนะ <c oughs> ผู้เจ้าจึงสอนการละนันทีบ่อยมากอะละความเพลินละความเพลินละความเพ ล, ล, เพ ล, ลินนะโยมคีคําว่านันทีเข้าไปเนี่ยโอ้โหขูนขึ้นมาเป็นร้อยๆนะห้าหกร้อยข้าูนยเต็มไปหมดเลยนั่นคือถ้าโยมเจอผู้เจ้าในครั้งพุทธกาลเนี่ยผู้เจ้าก็จะสอนโยมละนันทีนะละนันทีนะแต่ปัจจุบันไม่ได้ถ้าไม่มีการสอนเลยนะ ย่อจะไม่ค่อยรู้จักคําว่านันทินะซึ่งเป็นเรื่องที่ศาสดาสอนบ่อยมากในครั้งพุทธกาลนะอ่า mm hmm. เห็นไหมว่าคําสอนเรากําลังค่อยๆสูญไปคําสอนพระศาสดากําลังค่อยๆหายไปจากโลกหายไปหายไปเรื่อยๆทีละนิดทีหน่อยก็เลยอยากให้กลับเข้ามาสู่หลักฐานเดียวกันทั้งประเทศคือบาลีสามลักษณ ะ, ะที่รลอัหนึ่งและรหัสอุษารำมานะอย่างนี้ <laughs> <laughs> ถ้ากาาษัตริย์ไม่ทําเองไม่มีทางสําเร็จนั้นเนี่ย งานน um, ี uh ้ไม่มีทางเสร็จเลยขนาดคุมเองยังต้องห้าเดือนของรอหนึ่งรอห้าต่ห้าปีเห็นนะไม่หมูนะอันนี้อาจจะมาก็ท่านผูท่านเนี่ยเห็นประเด็นปัญหาตรงนี้ว่าบาลีสามรัฐเนี่ยยังมีทั้งคำที่แต่งขึ้นและคำพระศาสดาท่านผูท่านก็เลยนะทาหนังสือตรงนี้มา ท่านผท้ธาตพยายามรวบรวมคำพระศาสดาที่เป็นส่วนของพุทธวจนะที่อยู่ในบาลีสามรัฐ์เนี่ยออกมาใช้เวลายี่บสองปีท่านโหใช้ค่อนชีวิตเหมือนกันน ะ, ะรวบรวมมาได้อริษัตร์อย่างนี้ห้าเล่มเพราะนั้นผลงานท่านผู้ธาตุห้าเล่มนี้คือผลงานจากพระโอษฐ์ของพระศาสดาทั้งหมดที่เป็นด้านอลิศตัตสี่สองเล่ม คืออริสัต์จากพระโอษฐ์ภาคต้นอริสัตจากพระโอษฐ์ภาคปลายและเป็นเรื่องปฏิจจสุบตัติคืออริสัตย์สอย่างละเอียดอีกหนึ่งเล่มนะสามเล่มละเล่มที่สี่คือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์เล่มที่ห้าคือขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์คือเล่มนี้นะสี่เรื่องห้าเล่มนะเป็นคําพระศัสดาล้วนทั้งหมดนะเนื่องจากยุคท่านเนี่ย <c oughs> ไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้เวลาถึงยี่บสองปีเลยทําได้แค่ห้าเล่ม โชคดีของยุคนี้มีคอมพิวเตอร์อาตมาแลกคณะสงฆ์แล้วก็อาสาสมัครอีกร้อยกว่าคนก็ช่วยกันทำเสร็จหมดแล้วทั้งบาลีสามรัสสสาเล่มนะข้อมูลอยู่ในคอมพิวเตอร์นะแล้ว <c oughs> ในนี้เป็นคำศาสดาเราทั้งหมดซ้ายเป็นบาลีขวาเป็นภาษาไทยบาลีหน้าไทยหน้าคู่กันตลอดยงมตรวจสอบความถูกต้องได้ทันทีนะอ่า ทำหมดเลยหนังสือก็ทำในนี่ก็ทำนะาทาไปทุกอันคืออยากจะให้ทำยังไงจะให้คำศาสดาเนี่ยกระจายไปทั่วโลกทั่วประเทศทุกคนนะที่เป็นชาวพุทธนะจะได้มีคำศาสดาตัวเองไว้ศึกษานะต้องการแค่นั้นแล้วก็ตัวใครตัวมันละนะศึกษากันเอง <laughs> ทำหมดแล้วช่วยเคี้ยวแล้วกลืนด้วย เหลืออีกนิดเดียวนะใสจานให้เรียบร้อยแลใสจานให้เรียบร้อยแล้วอย่านะอ่าตอนนี้ก็เสร็จแล้วประมาณเจ็ดแปดเล่มตอนนี้ก็คือจะเสียเวลาช้าหน่อยตรงเทียบเคียงบารลีกับไทยให้ตรงกันข้อต่อข้อฐนะานข้อมูลก็ทำเสร็จแล้วในคอมพิวเตอร์ต่อไปก็จะสแกนได้เฉพาะพุทธวจนะอย่างเดียวนะก็จะเร็วขึ้น เพราะตอนนี้ที่โปรแกรมสแกนมาเนี่ย <c oughs> คือจะสแกนทั้งของจริงของปลอมน ะ, ะคำที่แต่งขึ้นด้วยแล้วก็คําพระพุทธเจ้าด้วยเพราะอาตมาใส่ทั้งก้อนใส่ทั้งก้อนนี้เข้าไปในในข้อมูลคอมพิวเตอร์นะคือเราไม่เปลี่ยนแปลงไม่ดัดแปลงอะไรน ะ, ะใส่ทั้งก้อนนี้ไปจากนั้นก็จะทำเป็นเป็นซีรีส์ใหม่อันหนึ่งอันนี้ก็คือเอาของเดิมอันนี้นี่แหละแต่ เอาเฉพาะพุทธวนะัจจนามารวมไว้ได้สามสิบสามเล่มอ่าอย่างนี้พร้อมทั้งใส่บาลีเข้าไปประกบหน้าต่อหน้านะเราก็ไปเสาะแสหาบาลีเวอร์ชั่นที่เก่าที่สุดสมัยรัชกาลที่ห้าทำซึ่งเอาให้ยอมดูเมื่อสักครู่นี้โรงเรียนในร้อยเนี่ยถ่ายเก็บเอาไว้เป็นข้อมูลหมดแล้วอ่าเราก็ได้ข้อมูลนั้นมาทั้งหมดแล้วอ่าอย่างนี้ก็ นับว่าเป็นเป็นประโยชน์นะของชาวพุทธในยุคนี้และก็โชคดีที่เรามีเทคโนโลยีตรงนี้และด้วยเทคโนโลยีตรงนี้จึงทําให้ <c oughs> หลักมหาประเทศสี่ถูกใช้ขึ้นมาเข้มแข็งขึ้นมาถูกใช้ขึ้นอย่างเข้มข้นนะเพราะหลักมหาประเทศ4ี่คือหลักในการตรวจสอบและตัดสินว่าอะไรเป็นธรรมวินัยของพระองค์หรือเปล่า อ่าเราอาจจะไม่เคยทราบนะซึ่งจริงๆแสดงว่าพระเจ้าเนี่ยมองข้ามช็อตเนี่ยออบอดละว่าศาสนาพระองค์จะเสื่อมยังไงยานั่นยังไงจะมีวิธีแก้ยังไงทําไว้ให้เสร็จเลยอยู่ที่ว่าเราค้นเจอไหมหล <c oughs> ักมหาประเทศ4ี่เป็นอย่างนี้เวลาเนี่ยคนจะอ้างว่าคําศาสดาเขาก็บอกเ้าสอนคําศาสนาทั้งนั้นะทุกคนอ้างหมดเลยใช่ไหมอ่าเวลาคนอ้างพระเจ้าบอกเขาจะอ้างสี่อย่าง หนึ่งเขาจะอ้างว่าจํามาต่อหน้าพระพรกพระผู้มีพระภาคเจ้า <c oughs> <c oughs> นี่จามาจากพระผู้เจ้าโดยตรงเลยนะต่อหน้าพระเจ้าอย่างที่สองเขาจะอ้างว่าจํามาจากคณะพระเถระอาวาสนั้นอาวาสนี้นี่พระเถระอาวาสนั้นอาวาสนี้นนเราทรงจามาเลยอย่างที่สามเขาจะอ้างว่าจํามาจากคณะพระเถระที่เป็นพระหูสูตได้วยนะอาวาสนั้นอาวาสนี้อันที่สี่อ้างว่า จำมาจากภิกษุผู้สูตรรูปหนึ่งอาวานั้นอาวา่านี้นี่คือสีข้ออ้างที่ผู้เจ้าบอกนะ <c oughs> ในสีข้ออ้างนี้เนี่ยนะเวลาใครพูดอะไรมาผู้เจ้าบอกว่าเธออย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านอ่าอย่าพึงเชื่อหรืออย่าพึงไม่เชื่ อ, อให้ทำยังไงผู้เจ้าบอกว่าเธอกำหนดเนื้อความนั้นให้ดีจำให้ดีนะเขาพูดอะไรเห็นไหมอ่า แล้วนำนำไปสอบสวนในสูตรนําไปเทียบเคียงในวินัยเห็นนะถ้าลงกันได้เทียบเคียงกันได้พึงแน่ใจว่านั่นเป็นคําของพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่แล้วอ่าภิกษุรูปนั้นจํามาอย่างดีแล้วอืมพวกเธอพึงรับเอาไว้นะถ้าลงกันไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้พึงแน่ใจว่านั่นไม่ใช่คําของพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่นอน ภิกษุรุ่นนั้นจำมาผิดไม่ใช่อะไรหรอกจำผิด <c oughs> ไม่ใช่เรือ่องต้องตาหนิอะไรกันมากมายแค่จำมาผิดนะทำยังไงละ่ะพวกเธอพึงทิ้งคำเหล่านั้นไปเสียเธอทั้งหลายพึงจำมหาประเทศทั้งสี่นี้ไว้จาไว้นะจำไว้นะหลักการในการตรวจสอบเห็นนะณนะวันนี้เมื่อเรามีโปรแกรมในการสแกนตวนรวจค้นพสูตรนี้จึงถูกนามาใช้อย่างจริงจังขึ้นเห็นนะ ยอมเช็คได้ทุกเรื่องเลยน ะ, ะง่ายขึ้นไหมง่ายไม่ต้องไปเปิดหนังสือสามสิบกว่าเล่มนี่โอ้โหกว่าจะเจอนะกดวินาทีเดียวปุ๊บเจอแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ศึกษาศาสนาพุทธเริ่มสนุกขึ้นแล้วนะ <c oughs> <c oughs> แล้วเราได้ทาเราก็จะทำการสืบค้นไปเรื่อยๆนะสืบค้นความจริงไปเรื่อยๆอย่างนี้ แล้วก็ค่อยๆปรับปรุงแก้ไขให้ตรงตามพระสัจดาไปทีเล็กทีนอ้อยมีใครสงสัยประเด็นไหนไหมเช่นเดียวสงสัยเรื่องจิตเกิดดับละกันจิตเกิดดั บ, บเกิดกดับเป็นยิดถือแน่นอนหรือว่าไม่แน่นอนอ่าไม่แน่นอนไม่แน่นอนมยมดูจิตของคนที่เข้าสมาธิ นานกว่าจะดับนานบ้างไม่นานบ้างนะสมาธิผู้เจ้าแบ่งเป็น9้าระดับ <c oughs> สมาธิที่พระศาสดาตรัสไว้จากปากพระองค์เองมี9้าระดับคือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอากาสาญนนจายตนะวิญญาณจายตนะอากินจัญญยายัตนะเนวสัญญานาสัญญาัตนะสัญญาเวทิตนิโรธ9้าคำนี้ คือสมาธิและบอกคุณสมบัติไว้เสร็จเลยว่าปฐมฌานต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนะและจะหลุดพ้นได้อย่างไรสมาธิทั้ง9้าระดับนี้ใช้ในการหลุดพ้นได้หมด <c oughs> ส่วนจิตนั้นก็เกิดดับไม่มีความแน่นอนเหมือนโยมเป่าฟองสบู่อ่ะปู่เป็นฟองบางบางฟองก็แตกเร็วบางฟองก็แตกช้านะไม่แน่นอนตรงใหม่ก็จิตดวงใหม่มาใช่ถูกต้อง <c oughs> ใช่นี่ มันไวมากนะและนี่คือทําให้เราเห็นว่าจิตมีการมากันไปมีการเคลื่อนคิดว่ามันเคลื่อนจริงๆมันไม่ได้เคลื่อนดวงหนึ่งตายดวงหนึ่งเกิดมันจะเหมือนกับแผงไฟโฆษณาที่เราเห็นไฟวิ่งใช่ไหมพอเราไปดูใกล้ใกลเอ๊ะมันไม่ได้วิ่งนี่ไฟมันดับไฟมันสว่างไฟมันดับเออสว่างดับสว่างดับสลับกันไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยเราเลยมันวิ่งแฟดวนไปอย่างนี้เหมือนกันเลยอย่างหลักการเดียวกันนะ เช่นเนี่ยมีมีคําถามที่ว่าอใช้คํำพอดีใช่ไหมคะเนื่องจาะว่าอมีความมีความคิดอยู่เสมอว่าธรรมะของพุทธองค์นี้ไม่มีวันหยาบสูงจะต้องกระจายไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องไปแย่งชิงศาสนาเกิดครับอำ เช่นใครจะถึงมุสลิมใครจะถือถือ mm hmm. ถอะไรก็ตามอ uh huh. เราก็ปล่อยเขา uh huh. แต่ว่าเรามั่นคงในพระพุทธตรยเอาไว้ huh. ถูกต้องจริงๆ แ, แล้วแค่นั้นอแล้วเราก็เผยแพร่ต่อไปอ่า uh huh. เราจะทําได้อย่างนี้คิดว่านี่เป็นประเวทหรืปล่าใช่ไหมไม่ไม่ได้ประมาทเลยทําถูกต้องแล้วเพราะหนะ้าวันนี้ชาวพุทธก็ไม่ได้เป็นปึกแผ่นกันไงใช่ไหมทายังไงชาวพุทธจะเป็นปึกแผ่นกัน เป็นหนึ่งเดียวไม่มีนิกายไม่มีป่าบ้านไม่มีนิกายธรรมยุทธอะไรอย่างนี้ไม่มีเพราะศา ส, สดาไม่เคยบัญญัติถกตกลงไหมอ่าก็ <c oughs> ถ้าเราทําได้เนี่ยศา ส, สนาจะเป็นหนึ่งเดียวซึ่งพระเจ้าไม่เคยกลัวภัยอันเกิดจากภายนอกเลยภัยเกิดจากภายในนี่แหละพุทธบริสุทธ์สี่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเสื่อมจากพระรัตนตรยัยนะอ่ามันจะค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆ พระเริ่มเปลี่ยนสารณะนะอาตมาไปบินทบาทก็เห็นพระไปอบูชาสา ร, รพระภูมิบูชาเจ้าที่เอเปลี่ยนสารณะและ้วนะเนี่ยน ะ, ะไม่เอาแล้วพระพุทธธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมคิดพระองค์อื่นดีกว่าละตกลงไม่รู้ใครควรไหว้ใครใช่ไหม <laughs> นี่ทีนี้ว่าถ้าหากว่าชาวพุทธเนี่ยจะรวมเป็นหนเดียวได้อ่า จะทำยังไงเช้าคะเพราะว่าเวลานี้เนี่ยเจ้าคะก็มีไหลไหลกายไหลสายอย่างที่พระุใช่อืมเราคิดว่าอย่างน้อยเขาก็ถสิศีลห้าแล้วเขาไม่ทาช่วก็ดีแล้วแต่ว่าวันหนึ่งเข้าตรมาันถึอย่ยงนี้คิดถึงูปเ้ยังน้อยไปเพราะพระศาสดาตรัสว่าอย่างนี้ว่า บอกกับอานนอาโนนความคาศูนแห่งกาลยาณวัตนนี้มีในยุคแห่งบุรุษใดบุตรนั้นชื่อว่าบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุตรทั้งหลายอาโนนเกี่ยวกับกาลยานวัตนนั้นเราขอกล่าวย้ำกับเธอโดยประการที่เธอทั้งหลายจะพากันประพฤติตามกาลยาณวัฒนที่เราตั้งไว้แล้วนี้ตถานะคตตั้งนะไม่ใช่ไกลตั้งนะเธอทั้งหลายอย่าเป็นบุตรพวกสุดท้ายของเราเลย ศาสนาหมดมีแน่เพราะพระผู้เจ้าบอกว่าระวังนะอย่าเป็นคนสุดท้ายในศาสนาของพระองค์เห็นนะอ่านั้นถ้าเราไม่ช่วยกันประคับประคองคำพระศาสดาหมดแน่นอนโยมนะและบอกเหตุปัใจจัยในการหมดไว้แล้วด้วยว่าภ <c oughs> ิกษุทั้งหลายในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจกมีภิกษุไม่สนใจคำตถาคตพระจะไม่สนใจคําพดุจเจ้าอาตมาจึงบอกว่าเห็นไหมว่า แล้วทุกวันนี้หลบคําเจ้ากันไปกันมานะฮะอ่าพระปฏิบัติก็บอกอุ้ยจะไปอ่านเลยพระไตรปโดกไม่ได้หรอกนะยากเกินไกลเกินเอา ค, คําครูอาจารย์เราดีกว่าใช่ไหมหนีคำผู้เจ้าไปสายหนึ่งละอีกสายหนึ่งเอาศึกษาอันนี้เหมือนกันแต่ไปศึกษาคําแต่งใหม่ น, น, น่าหนีคํำผู้เจ้าไปอีกเห็นไหมเอ๊ะทำไมคํำผู้เจ้าใครมันกลัวกันนักกันนาน <c oughs> ใช่ไหมเขาก็คิดว่าสูงเกินไกลเกินคงปฏิบัติไม่ไหวคงเจ้า จินตนาการกันไปแล้วยังไม่ได้ศึกษาเลยเห็นไหมนี่คือความห่างเหินจนกระทั่งลืมคำศาสดาไปโดยอัตโนมัติใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้โยมนี่แหละพระศาสดาเปรียบเหมือนเนื้อไม้ใหม่ที่ทำเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกของกลองบอกกลองศึกของกษัตริย์ทศราหะชื่ออากาศนั้นมีอยู่กลองอากานี้เมื่อตีไปตีไปในที่สุดก็แตก กษัทศสรารหะก็หาเนื้อไม้ใหม่ทำเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกน ะ, ะทําอย่างนี้ทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เพียงเนื้อไม้ที่ทําเสริมเข้าใหม่เท่านั้น<ม>เห็นนะนั้นถ้าโยอบอกว่าอไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยเขาก็รักษาศีลแต่คําใหม่ที่แต่งใหม่เนื้อไม้ใหม่จะถูกปะกเข้าไปเรื่อยปักเข้าไปเรื่อยปักเข้าไปเรื่อยเท่ากับว่าเราไม่พยายามทรงพุทธทวจะนะเอาไว้ใช่ไหม เรายอมตามอนุโลมตามคําที่แต่งใหม่ไปเรื่อยๆเทีละเล็กเทียน้อยเกรงอกเกรงใจกันไปกันมาคมาพี่เจ้าหายไปหมดเลยมีเหตุปัจจัยมันเป็นอย่างนี้เมื่อเราทราบเหตุปัจจัยเราจึงควรที่จะช่วยกันช่วยกันศึกษาพุทธวจนะปฏิบัติตามพุทธวจนะและช่วยถ่ายทอดพุทธวจนะออกไปใช่ไหมเราต้องปกป้องคําของใครอยู่ปกป้องคําศาสดาเราไม่ใช่ไปปกป้องคําของใคร ใช่ไหมการยานวัตที่ใครแต่งขึ้นศาสดาแต่งขึ้นบัญญัติขึ้นเพราะพระองค์เป็นสัพพัญญูผู้เดียวในโลกนะสาวกทั้งหลายเนี่ยผู้เจ้าบอกเธอเป็นแค่ผู้เดินตามเท่านั้นมัคคานุขาอย่าบัญญัติอะไรใหม่ใช่ไหมนี่คือศาสดาตัดไว้สาวกทั้งหลายในการนี้เป็นมัคคานุขาผู้เดินตามมาในภายหลังเท่านั้น นี่แลเป็นความผิดแปลกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทําให้แตกต่างกันระหว่างตถาคตผู้อรันตสมมาสัมพุทิชากับพิสุผู้ปัญญาวปมตอให้เป็นพระหลานที่หลุดพ้นด้วยปัญญาด้วยต่างกับพระหลานประเภทพระพุทธเจ้ายังไงบอกไว้เสร็จเห็นนะอ่าตถาคตเป็นมรคันยูรู้มา ก, ก่อนมรเข้าวิถูรู้แจ้งในมรเป็นมรเคโกวิทโฉลาดในมรไม่มีใครฉลาดเท่าพระพุทธเจ้าเลยโยมพระพุทธเจ้าเลิศสุดนี่ <c oughs> และผู้เจ้าก็ตอบย้าไปแล้วด้วยว่าภิกษุทั้งหลายจกไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติเห็นนะภิกษุทั้งหลายจะไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไปแล้วอะไรบัญญัติแล้วอย่าถอนนะอย่าถอนขอร้องอย่าถอนอ่าและอะไรยังไม่ได้บัญญัติขอร้องว่าอย่าเพิ่มอนี่ในพระสูตรนี้มหาปรินิญพานาสูตรก่อนจะปรินญาพานูตรขอไว้แล้วเห็นนะอเพราะนั้น สาวกเราเนี่ยต้องมีฮิริโอตะปะละอายเกรงกลัวในพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะไม่มีใครมาขนาบเราแล้วนะแต่ก่อนผู้เจ้าจะคอยขนาบใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้นะบอกอานอนท์เราจะขนาบแล้วขนาบ อ, อีกไม่มีหยุดใช่ไหมชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดตอนนี้ไม่มีแล้วทุกคนต้องมีฮิริโอตะปะในตัวของตัวเองสูงมากใช่ไหมเนี่ยในการดํารงคําพระศาสดาก็เลยเอามาเชื่อมต่อเรียงร้อยให้โยมได้เห็นนะอื ในตรงนี้จะอยู่ในนี้โยมที่เรียงร้อยมาทั้งหมดนี้จะอยู่ในแผ่นพนับนี้ซึ่งเป็นพุทธวจนะทั้งหมดสิทธพสูตรนะซึ่งกระจายอยู่ในสามสิบหัวเล่มเนี่ยนะอ่านี่ดึงมาเพื่อให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันเป็นเหตุเป็นผลเรียงร้อยว่าทําไมพระศาสดาจึงบอกว่าต้องปกป้องคําศาสดานะช่วยคุ้มครองคําศาสดาด้วยไม่งั้มันจะหายไปจากโลกนะ เรนเยอะอยคนคนนแล้วเขาาเนี่ยใหญ่อว่าใช่าจาแบบไม่เอาิธมอเาอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออภิธรรมคืออะไรรู้ไหมอภิธรรมพระภัยบูรณ์เป็นคนไปเจอเนื่องจากเรามีโปรแกรมตรงนี้แล้วเนี่ยเราทีมคณะสงฆ์ก็พยายามหาคำว่าอภิธรรมเรารู้อยู่ว่า อภิธรรมนะปัจจุบันนี้ถูกเป็นคําที่ถูกแต่งขึ้นแต่เอาอแล้วอภิธรรมจริงๆคืออะไรก็เลยคีย์คำว่าอภิธรรมเข้าไป <c oughs> สแกนค้นหาอูพระสูตรขึ้นมาบานเลยนะก็แยกอันนี้ไม่ใช่พุทธพจนะนี้ไม่ใช่เหลือที่เป็นพุทธพจนะเนี่ยประมาณสิบกว่าพระสูตรพุทธวจนะเนี่ยแยกอย่างไรคือจะอยู่ในวลีคําพูดว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอ่าดูก่อนอ น, นุ์ดูก่อนสารีบุตรดูก่อน จอมเทพดูก่อนข้าพอดีเนี่ยคือพูท้ทวจนะจะมีการพูดชื่อคนที่จะพูดด้วยหรือกลุ่มคนนะั้นแลักตามด้วยเนื้อหาพระไปบูนอยู่วัดตาดอนหายโศกนะก็เก่งคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะทำงานอยู่สิงคโปร์เกือบสิบปีได้เป็นสิงคโปร์ซิติเซนนะเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์อพิวเตนะเขียนโปรแกรมอะไรได้หมดนะก็มาช่วยเราเนี่ยในการสืบอคนนะพอสื่ค้นไปแล้วปรากฏว่า <c oughs> พระพุทธเจ้าเนี่ย ตรัสคำว่าอภิธรรมไหมตรัดอภิธรรมเนี่ยเป็นคําพระศาสดาแต่ไสในแต่ก่อนกับปัจจุบันไม่เหมือนกันเนื้อหาไม่เหมือนกันแต่ก่อนคําพระศาสดาคําว่าอภิธรรมผู้เจ้าจะพูดสิบว่ระสูตรเชะนั้นอภิธรรมเนี่ยและจะพูดคู่กันกับอภิวินัยด้วยจะพูดอภิธรรมอภิวินัยอภิธรรมอภิวินัยอภิธรรมอภิวินัยทั้งสิกว่าพระสูตรเลยจะมีพระสูตรเดียวเท่านั้นที่พูดอภิธรรมคําเดียวแปลกไหมอ่าเหมือนผู้เจ้า วางไว้ให้เสร็จเลยพระสูตรที่พูดอภิธรรมคำเดียวนี้พระองค์ตรัสหมวดธรรมขึ้นมาหมวดหนึ่งแล้วจิงตามด้วยอภิธรรมนั่นคือโพธิปัจจยธรรม37คืออภิธรรมของพระศ า, ศาสดาสติปฐานสี่สัมมะาปะทาน4อ่ที่บาทสอินร 5, ีห้าพละห้าโพชงเจ็อะไรมั้งมีองค์8โอ้โหเจอจนได้นะแกะมาต้องนานนี่คนอื่นเจอด้วยไม่ใช่ตมาเจอนะ พระองค์อื่นท่านเจอเพราะนั้นทีมพระก็ทำการสืบค้นนะความจริงต่างๆนะณนะวันนี้ว่าเอ๊ะอะไรจริงอะไรไม่จริงนะเคยได้ยินคำว่าแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันมามนอ่ า, ออาวุโสมารองคีคำว่าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันเข้าไป <c oughs> <c oughs> นะตรงนี้ <c oughs> แล้วก็กดค้นหาไม่พบคำว่า8 000, ปดหมืนสี่พันพระธรรมขันเห็นนะ วิดเดียวตอนนี้เราทราบแล้วว่าคําใดมีไม่มีในข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกตัวนี้ใช่ไหมอ่าง่ายนิดเดียวนะชัดเจนด้วยนะถ้าโยอมไปสแกนตรงนี้ในมหาเมกุกหรือมหาจุลานะซึ่งมหาเมกุกมหาจุลาเนี่ยเขาก็บอกเขาเอามาจากตัวนี้นะแต่ปรากฏว่าพอเราไปเช็คจริงๆมันมีคําที่ไม่ตรงกันแสดงว่าไปเพิ่มเติมจากที่อื่นมาด้วย แถมแถมมีรายการแถมนะตอนนี้ก็เลยลองเปลี่ยนพระตารบิดกดูนะเราเปลี่ยนข้อมูลพระจารบิดกตรงนี้คือลักษณะการเปลี่ยนนี่นี่คือการเปลี่ยนเราเปลี่ยนจากมารลีสามรัฐมาเป็นมหามงกุฎนะอ่าแล้วกดค้นหาหมแปดหมื 8, 000, 000, ม่นสี่พันรัธรมนูญนะรอสักครู่มันกําลังหาปับเจอละเห็นไหมอ่าดึงขึ้นมาซิมีจริงไหมนี่อ่า มีคำว่าแป0 0 0สี่พันระธรรมขันธ์จริงๆในหลายที่คำพวกนี้ถูกแต่งขึ้นและปะเข้าไปในการทำพระไตรปิฎกของสองสำนักนี้ครั้งหลังใช่แต่ตัวออริจินอลไม่มีอ่าเช็คง่ายมาหมูเลยตอนนี้เร็วมากน่ะขยันขยายความคำว่าแป0 0 0ืนสี่พันระธรรมขันธ์เนี่ยมันคืออะไ ร, ม, ออะไรไมีคนขานอยู่มั้ยตอบชัดเจนไม่ได้ว่า เป็นคำสองแปดหมื่สี่พันประโยคหรือว่าเป็นเป็นพระธรรมแปดหมื่นสี่พันคาถาหรืออะไรเพราะว่าอแตไ่ไม่เข้าใจที่ <c oughs> ที่เราเข้าใจกันเนี่ยคือคําเนี้ย <c oughs> จะเจอในคําของพระอานนท์ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่พระอานนท์พูดเป็นคนคนหนึ่งที่พูดว่าพระอานนท์พูดว่าอย่างนี้ อโอ้โหกว่าจะแกะออกมาได้นะเนื่อโยมมันมีการแต่งหมายเล่เลสับสนพอไปอ่านจริงๆแปดหมนี่พันพระธรรมขันธ์ที่เจอเนี่ยคนอ่านเป็นเผลอจะบอกอ้าวนี่ไงพระอนุลนพูดเฮ้ยพระอนุลนจำคำผู้เจ้าตลอดอยู่แล้วแต่ไม่ใช่เป็นคนอื่นที่พูดว่าพระอานุน์พูดอย่างนี้โอ้โหอ่าใช่ใช่เราถึงไม่เจอคํานี้ในข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกอย่างนี้เป็นอย่างนั้น ใช่ใช่ <c oughs> อาจจะแต่งแต่งขึ้นก็คือคือเาอเพราะธรรมขันแต่และที่เขาเข้าใจทุกวันนี้คือเขาแบ่งคำพูชเจ้าเนี่ยเป็นธรรมขันหนึ่งธรรมขันหนึ่งซึ่งถามว่าใครเป็นคนแบ่งไม่รู้แล้วแต่แล้วแต่สาวกยุคนั้นนั้นแบ่งนะผู้เจ้าตัดแค่นี้ปุ๊บก็แบ่งมาโคดมาใส่ตัวเลขไว้นี่อันที่หนึ่งนี่สองนี่สามนี่สี่นั่นอย่างอาณาปานสติที่ผู้เจ้าตัดไว้เนี่ย ในพระเาพิโดกเขาจะแบ่ง32ขั้นตอนท่านพุทธาจะแบ่ง16ขั้นตอนไม่เหมือนกันแล้วเห็นไหมแต่พระศาสดาแบ่งสี่กลุ่มกลุ่มกายเวทนาจิตธรรมเห็นไหมเราไปซอยเอาเองอย่างนี้เราเริ่มเริ่มเข้าใจอ๋อการแตลงหมายมันเป็นอย่างี้เนี่ยเข้าใจเองว่าคำว่าแปด0มื่นสี่พันคำตมงทีว่าเป็นแปดหมื่นสี่คำตลอดสี่สิบห้าปีทท่านสอ หรือว่า 84,000 เรื่องหรือ 84,000 ประโยคถ้าทรทั้งหลายผมใช่ใช่เขาจะเข้าใจอย่างนั้นนะแล้วใครเราเป็นคนแบ่งสัดส่วนตรงนี้ไม่มีไงต่างคนต่างแบ่งกันเอาเองเพราะนั้นถ้าจะแน่แนนอนๆเนี่ยก็คืออาตมาบอกว่าอีกหน่อยเนี่ยเราจะทำโปรเจกต์ตรงนี้ก็ได้ก็คือให้คอมพิวเตอร์นั่งนับทุกอักขระ อาถูกต้องใช่มีกี่อักขระกันแน่คําภะศาสดาเดี๋ยวหลังจากทำตรงนี้เสร็จนะสามสิสามเล่มให้คอมพิวเตอร์มันนั่งนับอักขระทั้งหมดปุ๊บเนี่ยเราจะได้เลยนั่นก็ผมขอต่ออีกร้านหนึงอย่างข้าวบวงวันจันทรที่ท่อาจารย์พูดถึงเรื่องวิญญาณแก่จิตที่ตายตายดับตายดับเนช่อถ้าว่าตายแล้วเกิดทันทีไม่มีเรียกว่าอ่า สัมเวอไม่มีสัเวสีอแสดงารที่เกิดแบบอคนะครับถ้าฟังว่อาจารย์ท่านเ่าใส่มันจะไม่มีในที่นี้พวกผีพวกอะไรพวกมันมาจากไหนไม่เป็นอย่างที่เราตายไปแล้วไปรอที่เกิดเดีวครับในที่ํามชาวบ้านชาวบ้านจริงๆเลยเข้าใจเข้าใจถ้าบอกว่าคนตายความที่เกิดทันทีแบบพฮแล้วทีนี้เราสามวันแม่ไปที่บ้านเนี่ยเเวันแล้วไป แล้วก็จมาทําบัญหาแล้วก็ใช่เอ๊ะสามเดือนแล้วมาเข้าฝันว่าแม่ก็ยังอยู่ตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับท่านแต่ว่าท่านไม่ได้เกิดอยังไงคนแล้วผีมันมาอย่างี้อ่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างงี้ต้องฟังดีๆตรงนี้มีข้อมูลเยอะนะคือการที่เราบอกว่าผีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะนั่นคือเขาได้อัตภาพแล้วเกิดแล้วแต่เราไปคิดว่าใช่ คือคําว่าผีเนี่ยไม่มีในพุทธวจนะแต่พระเจ้าจะชี้ลงไปเลยว่าเปรตวิสัยอสุรกายยักษ์หน้าคนทันอสูรเทวดาปลอมคือชี้พบไปเลยนะเพราะฉะนั้นใช่คนไทยเหมาเป็นผีหมดก็เลยนึกว่ายังไม่เกิดไปคิดว่าโอ้ต้องไปเป็นมนุษย์หรือเทวดาเท่านั้นจึงได้การเกิดแต่จริงๆเขาเกิดแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะยังแถลมีแค่ร้อนแรงเพียงใดอ่า อ, อ, อ, อีกประเด็นหนึ่งโอปาปฏิกะเป็นระบบการเกิดเดี๋ยวข้า อ, อธิบายเดี๋ยวเก็บประเด็นนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะ อ, อธิบายตบบนี้ <c oughs> นะอ่าท่านี <c oughs> ้เรื่องผีเนี่ยก็คือแสดงว่าเป็นความเข้าใจผิดนะคิดว่ายังไม่ได้การเกิดแต่ได้แล้ว <c oughs> ไอ้ที่ว่ามาหามาอะไราเขาก็มีแก่เจ็บตายในนั้นแล้วมีโรคกดหลงรักเกลียดชงังอยู่ในนั้นเสร็จมีขันท่าพร้อม <c oughs> เห็นนะ <c oughs> เป็นอย่างนี้ได้การเกิดแล้ว ท่านี้ลงลึกไปอีกนะสัมภเวสีผู้เจ้าตรัสไหมตรัสอา้าวแล้วมันไปไปลอยอยู่ตรงไหนช่วงไหนแหละใช่ไหมอ่าอย่างนี้ <c oughs> ไปเจอพระสูตรอย่างนี้คําว่าสัมภเวสีไม่มีใครหาคําตอบตรงนี้ได้ไอที่ตอบกันเนี่ยโมเมกันโมเมโมเ ม, ม, เมนะมมอ่าใช่โมว่วเนื่องจากไม่ได้ยกพระสูตร อตาตมาไปเจอโดยบังเอิญสองพศูด <c oughs> วัชชะถามพระาศาสดาวา่าเมื่อกายนี้แตกทําลายแล้วยังไม่ได้กายใหม่อะไรเป็นเหตุปัจจัยของการได้กายใหม่ผู้เจ้าบอกวัชชะตัณหาเป็นเหตุในการได้กายใหม่นั่นแสดงว่ามันต้องมีแก๊บเวลานิดหนึ่งในการที่จะได้กายใหม่ถูกต้องไหมทีแรกเจอพระศูดนี้พศูดเดียวก็ฟันทงไม่ได้อีก ลบแกบเวลานี้มันยาวนานขนาดไหนใช่ไหมก็ฟันธงได้ใช่ว่ามันคงไม่นานนานนะน ะ, ะมันเป็นแค่รอยต่อของจิตขนาดที่ยังไม่ได้เกิดแต่ <c oughs> เช็คไปเช็คมาเจอจนได้ผู้เจ้าไปจัดกับท่านอนอีกประสูตรหนึ่งบอกเรื่องของการที่สัตว์เกิดในคันนะบอกอนนท์สัตว์ที่เกิดในคันมันจะเป็นอย่างนี้นะอืถ้าวิญญาณเนี่ย ไม่ก้าวลงสู่คันแห่งมารดาแล้วไซนามลูปจับปรุงตัวต่อได้หรือไม่พระนนท์บอกไม่ได้ผู้เจ้าบอกถูกต้องอ่าเพราะฉะนั้นสัตว์ในคันคันมารดาเนี่ยนะถ้าวิญญาณเนี่ยไม่ก้าวลงปั๊บคันนั้นต้องตายนั้นเด็กแท้งตายในคันอะไรอย่างนี้นะอ่าอ่าวิญญาณไม่ลงหรือว่าปฏิสนธิแล้วไม่ได้นะลูกออกมาอย่างเนี้ย <c oughs> อันดับที่สองผู้เจ้าบอกอานอน์ถ้าวิญญาณเนี่ย ก้าลงสู่คันแห่งมารดาแล้วไซจากนั้นจักแต่สลายลงนามรูปจักปุงตัวต่อได้ไหมพระนรนบอกว่าไม่ได้ผู้เจ้าบอกถูกต้องอันที่สมถ้าวิญ ญ, ญาณก้าวลงสู่คันแห่งมารดาแล้วเป็นเด็กชายหรือเด็กหญิงก็ตามคือปรากฏเพศแล้วแล้ววิญ ญ, ญ, ญาณจักสลายแตกสลายลงนามรูปจักปุงตัวต่อได้ไหมพระนรนก็บอกว่าไม่ได้ผู้เจ้าบอกถูกต้องได้คําตอบเลยสแสดงว่า วิญญาณมีการเข้าออกได้ในช่วงจากปฏิสนธิทีแรกจนกระทั่งเด็กปรากฏเป็นเพศในครันนะไม่รู้กี่วันไปนับเอาเองแล้วกันต้องไปถามหมอนะอ <c oughs> ว่าระยะตรงเนี้ยเป็นกี่อาทิตย์หรือกี่เดือนเท่าที่ฟังหมอเนี่ยเขาว่าเป็นเดือนแต่ไปเจอในพระสูตรจะเจอประมาณสัปดาห์เดียวนะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์หนึ่งเนี่ย จะมีการเข้าออกของวิญญาณนะเกิดโยมไปเกาะภพนี้ไม่พอใจไปดีกว่าเกาะอันนี้ไม่เอานะอ่ามามาไปไปอยู่อย่างเงี้ยสักช่วงหนึ่งแต่ถ้าเกาะแล้วปุ๊บพอใจละเพราะตัณหาความอยากพอใจจับยึดหัวก็อยู่ภพนั้นไปตลอดเลยนะนี่ <c oughs> เป็นอย่างนี้นี่คือช่วงสัมภเวสีแค่นั้นเอง แต่ว่าก็สามารถจะเลือกเกิดจาคนที่มีฐานะดีรือะไรต่างๆถูกต้องถูกต้องผู้เจ้าบอกธาตุย่อมเข้ากันได้โดยธาตุเพราะฉะนั้นคนนั้นเสพธรรมะไดมากเสพอกุศลมากก็จะไปเกาะกับพวกอกุศลนะพวกเปรตนะอสุรกายยักษ์หน้าคนทันเนี่ยเพราะเขาคุ้นเคยกับอกุศลไม่ยอมละไม่ยอมทิ้งไงถ้าเขาคุ้นเคยกับอุศลณ์เขาก็จะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เทวดา อยู่ในตระกูลดีตระกูลเลยกรรมเริ่มจำแนกล้วอย่างนี้อ่าอันนี้เรียกว่ากรรมนะถูกต้องเพราะตรงนี้น่ะคือกรรมโดยตรงสี่ธาตุคือตัวกรรมกรรมพระศาสดาจำแนกอย่างนี้อีกกรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาเรียกว่ามีกรรมเห็นนะอืมดูดีๆนะกรรมคือผืนนาวิญญาณคือเมล็ดพืช มเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนามีกรรมแล้แล ะ, มะเมล็ดพืชโตมาด้วยอะไรยางในพืชแสดงว่า <c oughs> ต้นไม้ที่โตมาจากมเมล็ดเนี่ยอาศัยอะไรอาศัยมเมล็ดพืชคือส่วนของกรรมเก่าเผ่าพันธุ์เก่านะที่เป็นทายาทมาอย่างที่สองคือผืนนาซึ่งเป็นนาดีนาปานกลางนาเร็วอีกพระสูตรหนึ่งผู้เจ้าจะแบ่งผืนนาเนี่ยเป็นสาระดับผืนนาที่เป็นลูประธา นะพื้นนาที่เป็นกรรมธาตุคือดินน้ําไฟลมมีสี่ธาตุพื้นนาที่เป็นรูกประพบพื้นนาที่เป็นอรูปประพบมีสาระดับเราก็จะได้อตตภาพได้กายตามนั้นอีกพระสูตรหนึ่งจะสอดรับันเลยบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยผู้มียวิชาเป็นเครื่องกั้นจะได้กายสาระดับกายที่สําเร็จด้วยมหาปุถุธาตสี่กายที่สําเร็จด้วยใจและกายที่สําเร็จด้วยสัญญาแมตกันทั้งหมดนี่คือความสอดรับของคําพระศาสดา เห็นนะเราจะได้คำตอบหมดทุกเรื่องโยมแต่คำพวกนี้ไม่สามารถหาได้ในคำสาวกสาวกไม่ไม่รอบรู้เรื่องพวกนี้หรอกจึงต้องสืบค้นในคำสสาศาวสาและเท่านั้นด้วยนะ <c oughs> เห็นนะ <c oughs> อุปมาณ้ก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าอุปมาเรื่องกรรมกับอุปมาเรื่องพบ ผู้เชาแะอุปมาเหมือนกันนั่นคือมันลิงก์กันมันสอดรับกันโยมเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้โยมเห็นอุปมาเรื่องกรรมนี่ตั้งหลายข้อสูตแล้วนะ <c oughs> จากนั้นเนี่ยผู้เช่าอุปมาเหมือนกันเลยแต่บอกว่าผืนนาคือภพวิญญาณคือเมล็ดพืชเหมือนกันเห็นนะวิญญาณเป็นเมล็ดพืชแต่ผืนนาไม่ได้เรียกว่ากรรมนะเรียกว่าภพนั่นแสดงว่าภพคือกรรมกรรมคือภพ ไปโยงอีกข้อสูตรหนึ่งพระศาสดาบอกว่าวิญญาณเนี่ยเข้าไปตั้งอาศัยในรูปเวทนาสัญญาสังขารสี่ธาตุนี้เท่านั้นไม่เวียนเลยไปจากสีธรรมธาตุนี้รู้อย่างอื่นไม่ได้รู้ได้แค่สี่ธาตุการที่วิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยคือมเมล็ดพืชไปตั้งอาศัยในผืนนาเห็นนะอ่าเพราะฉะนั้นภพคือตัวสี่ธาตุนี้เองนะคือภพคือรูปเวทนาสัญญาสังขารสี่ธาตุคือภพที่ตั้งอาศัยของวิญญาณ น, นั่นเอง นะซึ่งพระเจ้าเรียกมันว่าวิญญาณถีตินะนั้น4ี่ธาตุนี้คือภพ4ี่ธาตุนี้ก็คือกรรมนั่นเองนะเพราะฉะนั้นกรรมเราบอกเรามีกรรมก็คือมีไอ้สีธาตุนี้แค่นั้นเองแล้วยองดูโยงไปอีกพระเจ้าบอกเหตุเกิดของกรรมคือผัสสะคือวิญญาณเข้าไปรับรู้แต่ละธาตุพวกคือสัมผัสหรือผัสสะเห็นนะจิตเข้าไปรับรู้แช่มีกรรมทันทีเห็นนะพระเจ้าจึงบอกผัสสะคือเหตุเกิดของกรรม และภาษาคือความดับของกรรมเมื่อภาษาดับกรรมดับภาษาเกิดใหม่ปุ๊บกรรมเกิดภาษาดับปุ๊บกรรมดับเห็นไหมแล้วภาษาวันหนึ่งกี่ล้านกี่แสนครั้งโยมเกิดดับตลอดโยมนับกรรมไหวไหมไม่ไหวเมื่อไม่ไหวโยมคิดว่ามีใครสแกนได้ไหมไม่มีทางเลยหมดสุดเลยอ่าใช่ไม่มีทางเลยแล้วพระเจ้าก็ยืนยันโดวยว่าไม่มีทางในมิกขสลาสูตร ผู้เจี่บอกว่าเพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกจากตถาคตผู้เดียวเห็นไหมพอโยมเห็นกระบวนการทํางานของจิตที่อธิบายอย่างนี้โยมเข้าใจเลยว่าโอ้ในโลกนี้ไม่มีใครสแกนได้หรอกเอาแค่วันเดียวเราก็จํำภาษะไม่ได้แล้วนะเอาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันโอ้ภาษากี่แสนกี market, ่ market, market, market, ล้านไม่มีทางแล้วในอดีตกี่แสนกี่ล้านชาติโอ้โหหมดสิทธิ์เลยภรรยูมิปัญญามนุษย์ไม่มีทางทําได้ นะนี่แหละอืมผู้เจ้าก็เตือนอานนท์บอกว่าอนนท์เพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคลอย่าประมาณตรวจสอบตัดสินบุคคลนะอ่าและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทําลายคุณวิเศษของตนเราคือตถาคตหรือผู้ที่เหมือนเราคือเก่งเท่าผู้เจ้ า, จาพึงถือประมาณในบุคคลได้ พวกสแกนเก่งเท่าพระเจ้าเป่าไม่รู้อนะใช่ไหมถ้าไม่เก่งเท่าพระเจ้าทําไม่ได้แล้วใครจะเก่งเท่าพระเจ้าก็อาจจะประเมินได้ว่าพระปัจเจกพระเจ้าที่ตัดสรูเองอาจจะพอสูสีนะนอกนั้นก็คงไม่มีละอืเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> โยมสืบคน้นคําพระศาสนาสนุกโยมแกะได้ทุกเรื่องเลยนะแล้วตอนนี้ก็กําลังกําลังสรุปเรื่องพบภูมิใหม่อีกครั้งหนึ่ง ภพภูมิที่ทํากันอยู่ปัจจุบันยังเป็นอัธกถาไงเราก็เลยให้ทีมพันเนี่ยตรวจสอบภพบภูมิใช่ที่เป็นพุทธวินะแท้ๆตอนนี้เสร็จหมดละกําลังทําเป็นหนังสือออกม า, าและจะทําเป็นแผ่นชาร์จมาให้ด้วยว่าจริงๆแล้วภพเนี่ยพระศาสดาเนี่ยตัดไว้จริงๆแล้วเท่าไหร่กันแน่นะภรมเท่าไหร่เทวดามีกี่ชั้นนะเปรตอสุรกายมีอะไรบ้างจะบอกไม่หมดเลยอยู่นะ <c oughs> อย่างนี้ แล้วเราจะอ้างพระสูตรให้เสร็จว่าที่พบเนี่ยเป็นเพราะพระสูตรนี้พบนี้เพราะพระสูตรนี้อย่างเนี้ยอืมที่เขนอ่ใก็ไสในไม่เหมือนกันเน่ยเยอะถ้าจะเรียนอภิธรรมคือต้องเรียนโพธิปัจจะธรรม37ซึ่งศาสดาตรัสไว้อยู่แล้วในสติปัฏฐานสี่ก็ไปเรียนสติปัฏฐาน4ีที่พระเจ้าตรัสไว้เรียนสัมมาปัฏฐานสี่ที่พระเจ้าตรัสไว้อิทธิบาทสีที่พระเจ้าตรัสไว้อินทรี่ห้าพละหโพชฌงเจ็ด อริยมรรคมีองแปดจบและแค่นี้อภิธรรมใช่ใช่และก็ต้องเรียนอภิวินัยด้วยเห็นไหมพอพระเจ้าจะตัดคู่กันมาตลอดเลยนะอาจารยอยาอุปปาติกะเขตนีรช่ใช่อปปาติกะเป็นอย่างนี้เป็นระบบการเกิดน ะ, ะ, ะพระเจ้าจะแบ่งระบบการเกิดของสันเนี่ย เป็นหลายแบบมากนะอ่าคือการเกิดในคันการเกิดในไข่นะอ่าอย่างนี้การเกิดในของเปลือกตมนะและผุดขึ้นมาเป็นสี่ระบบมีสี่ระบบการเกิดในสีระบบการเกิดนี้โยมเคยถ้าโยมจานึกออกนะโยมจาได้ไหมว่าโอปะปะตักาแต่ก่อนเขาจะว่าเป็นเปลดใช่ไหม <S <S ใช่ครับอ่า จัดพวกปีหมดเลยอ่จาจัดเข้าพวกปีหมดแต่ทีนี้พอเราไปอ่านในพระสูตรผู้เจ้าจะเรียกพระอนาคามีว่าโอปปปาธิกาด้วยเอ้าทำไมเป็นอนาคามีอีกแล้วเอ๊ะแล้วตกลงจะเป็นยังไงเริ่มงงแปรากฏว่าหาไปหามาเจอจนได้นะวันนั้นโยมก็ถามได้ถุนศ า, าราอัตมาบอกเอ้า้างนั้นร่วมกันสแกนเลยเช็คปับป๊บปับป๊บป๊บป๊ป๊ปั๊บไปไปเจอหนึ่งพระสูตรจนได้ผู้เจ้าบอกว่า ระบบการเกิดของสัตว์มี4ี่อย่างแล้วก็ไล่ไปพอถึงโอปาปาติกะได้แก่อะไรบ้างตัดกับวิสูตทั้งหลายได้แก่เทวดาบางพวกอนาคามีมนุษย์บางพวกเปรตบางพวกสัตว์นรกบางพวกได้หมดเลยโยน่ามีหมดเลยแล้วมนุษย์ไม่ใช่มีแต่มนุษย์เราอย่างเดียวนะพู้เจ้ายังแบ่งมนุษย์เป็นอมลโยยานทวีปนะอุตรครุรทวีป ของเราเนี่ยเรียกชมพูทวีปนะปุพภาวิเทหทวีปมีสี่ทวีปมนุษย์มีสี่กลุ่มนะ <c oughs> และไม่ใช่แต่ละกลุ่มเนี่ยไม่ใช่มีโลกเดียวด้วยมีเป็นพันพันโลก <c oughs> นั่นคือพูเจ้าเนี่ยอธิบายเรื่องระบบจักรวาลไม่หมดแล้วที่ใครสงสัยมนุษย์ต่างดาวมัม้ยโอ้โหมีหมดนะนะ <c oughs> มนุษย์ในชมพูทวีปมีเป็นพันพันทวีปเลย ทวีบของพูะเจ้าเนี่ยเป็นแต่ละโลกแต่ละโลกนะนั้นเยอะมากเยอะมากซึ่งพูะเจ้าอธิบายเรื่องพวกนี้นะไว้และแบ่งระดับของจักรวาลไว้ด้วยเห็น <c oughs> ถ้าเราไปสืบพ้นใ น, น <c oughs> ผู้ทวชนะพระเจ้าจะแบ่งระดับจักรวาลเป็น3มระดับโดยอาศัยแสงของดวงอาทิตย์ส่องไปได้สุดเท่าใด <c oughs> เป็นหนึ่งโลกธาตุ ทวีขึ้นไปพันเท่าเป็นอีกหนึ่งโลกธาตุนะเรียกว่าสหัสสีจูละนิกาโลกธาตุแล้วก็ขึ้นไปเรียกมหาสาห ส, สีนะจูลนิกาโลกธาตุติสาห ส, สีมหาสาห ส, สีนะจะบอกไม้หมดเลยและจักรวาลเนี่ยมีที่สุดไหมมีขอบจักรวาลไหมอ่าไม่มีล <c oughs> ู่สีแต่ก่อนเคยสงสัยไงโลหิตตาเทวบุตรเคยสงสัยว่าเอ <c oughs> สุดขอบจักรวาลมันต้องมีแน่เลยแล้วตัวเองเนี่ยมีฤทธิ์เหาะไปด้วยฤทธิ์ก็เลยตัดสินใจเอาเลย ว, วะเหาะไปด้วยฤทธิ์เนี่ยถึงขอบจักรวาลแน่นอนเห็นไหมก็เลยไม่กินไม่นอนไม่ขับถ่ายเหาะไปด้วยฤทธิต์ตลอดทั้งร้อยปีตายคาเหาะเลยอย่ง <c oughs> ไม่สุดขอบจักรวาล <c oughs> ไม่มีขอบ พอตายคาหอนี่เวลาคนเราจะหอได้ต้องอยู่ในฌานอะไรอยู่ในจตุจชฌานนั่นคือตายในสมาธิจิงไปเกิดเป็นเทวด า, าแล้วพอไปเกิดเป็นเทวดาตับ๊บก็เลยมาฟังธรรมผู้เจ้าแล้วก็เลยมาสรรเสริญผู้เจ้าพอผู้เจ้าบอกว่าที่สุดขอบโลกเนี่ยจะถึงด้วยการไปไม่มีไม่มีทางเลยผู้เจ้าบอกว่า ที่ที่สัตว์อันไม่เกิดไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติใครๆไม่อาจถึงที่สุดนั้นได้ด้วยการไปเลยแต่ในร่างกายที่ยาวประมาณวานหนึ่งนี้ที่ยังประกอบอยู่ด้วยสัญญาและใจนี่เองคือที่ออกของโลกพระองค์ได้บัญญัติโลกเหตุเกิดความดับและวิธีดับของโลกเอาไว้นั้นเราต้องย้อนกลับมาที่กายวาจาจิตของเราจรึงจะออกจากโลกทานนี้ได้สังสารสนี้ได้ไม่สามารถออกได้ด้วยการไปนิพพานเนี่ยเคลื่อนไปไม่มีทางถึง เทวดาองค์นั้นก็เลยมาสันเสริญพระพุทธเจ้าโอ้พระตถาคตตัดถูกเป๊ะเลยแล้วก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ผู้เจ้าฟังว่าพหมาแล้วตายคาเหาะเลยนี่เป็นอย่างนี้ไหวน่าเชี่ยนะเห็นไหมเป็นอย่างนี้เยอะนี่คำถามว่าเราจะคริุทธิ์เระน่า มีสำเร็จรูปจำหนายใช่ไหมอ๋อยังไม่มีเลยโยมตอนนี้ก็คือไม่ต้องจำหน่ายเลยโยมโปรแกรมนี้ฟรีนะในมือถือของโยมที่ไม่มีกระดานจำนวนเลยจ้ะมอ๋อถ้าไม่มีกระดานจำนวนทำอย่างนี้นะอมาก็ตอนนี้ทำทามาได้แค่ตรงนี้นะอ่า <c oughs> ทำมาได้แค่สิบเล่มนะตอนนี้ก็คือดึงคำพระศาสดาเนี่ยมาเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กอย่างนี้นะพกติดตัวได้นะซึ่งจริงๆแค่นี้เพียงพอต่อการหลุดพ้นเพราะพระศาสดาตัดไว้กับคาเมนว่านะคาเมนิเพราะเหตุว่าถึงแม้เขาจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงสักบทเดียว นั่นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นตลอดกาลนานขอบทเดียวบทเดียวพอแล้วนะแปะเรียยังไม่ใคไหนเลยคิดว่าจะมีชีวิตพอที่จะได้จบประสบการณ์นะแต่จะหาเรียนว่าอ๋ออันนี้เราก็ทําแจกยืมนะทาแจกแล้วก็อมีที่มูลนิธิก็ ทำให้สมทบทุนต้นทุนนะไปเอาที่มูลที่ก็ได้หรือเอาที่วัดก็ได้ได้ทั้งสองที่ตรงนี้เราทำเพื่อให้ <c oughs> แก้ปัญหาในสังคมที่เข้าใจผิดในเรื่องต่างๆเช่นว่ า, าสังคมกำลังคิดว่ามีใครแก้กรรมอะไรได้ก็เลยออกแก้กรรมมาให้โดยพระตถาคตาในนี้จะเป็นพระสูตรเกี่ยวกับการแก้กรรมทั้งหมดเห็นนะ และของจริงของแท้ผูเจ้าเนี่ยแท้ทั้งชีวิตเนี่ยบอกวิธีแก้กรรมมีวิธีเดียวคืออริยะอัดถังคิกามัคนี้นั่นเองคือกรรมมะนิโรทคามิหนีปฏิปทาไม่มีวิธีอื่นเลยโยงเพราะฉะนั้นถ้าใครไปบอกวิธีอื่นคือไม่สะกิดผิวกรรมเลยกรรมไม่ถูกแก้เลยสักนิดเดียวยใช่ไหมตัดกันก็คงตัดไม่ได้ตัดไม่ได้โยงตั ด, ด, ต ด, ตดจริงๆต้องตัดอย่างนี้อมักแปดเท่านั้นเห็นนะนั้นทุกคนอยากรู้ความจริงอยู่แล้ว ใคระความจริงอยู่ตรงไหนอาตมาจึงบอกว่าคาศาสดาไม่ใช่เรื่องยากเรื่องง่ายเรื่องความจริงเราต้องเข้าไปชนความจริงให้ได้นะเพราะทุกคนแก่เจ็บตายเองนะ <c oughs> ไม่มีใครมาแก่เจ็บตายแทนเรานะท่นี้ <c oughs> ใครอยากจเจริญอาณาปานสติที่ถูกต้องก็ทำไว้ให้แล้วในนี้จะเป็นพุทธวจนะทั้งชีวิตที่พระเจ้าตรัสเรื่องอาณาปานสติไว้ครบแล้ว32พสิส ตัดซ้ํากันส6กพระสูตรไม่ซ้ํากัน26่นะสมบูรณ์แล้ ว, ว, ว, วอ่าแยกไว้ให้แล้วนะนวนอ่าอันนี้ <c oughs> ถ้าโยมอยากดูจิตสอนดูจิตกันเยอะนะเหมือนอย่างาศาสดาหรือเปล่านะในนี้จะรวมไว้ให้60กว่าพระสูตรในการดูจิตจะเห็นถึงความโยงใยสอดรับกันของคําศาสดาทั้ง60สพระสูตรนะโยมจะยิ่งทึ่งในคําพระเจ้าว่าโอ้โหไม่มีการขัดแย้งกันเลยใน60สพระสูตรนี้นะ <c oughs> อยากทำมักวิธีที่ง่ายรวมไว้ให้แล้วนะทุกที่บอกง่ายหมดเลยแต่ง่ายตามคำศาสดาหรือเปล่ า, าอันนี้ศาสดาบอกเองเลยว่านี่ง่ายนี่สะดวกนะอ่า น, นี่อันนี้สงมากรวมไว้ให้นะรวมอะไรอีกอยากเป็นโสดาบัน <c oughs> ห้าสี่สิบกว่าวิธีที่ศาสดาบัญญัติเอาไว้เห็นนะ อย่างอภิธรรมเนี่ยเขาใช้คําว่าโสรถยานใช่ไหมอ่าลองคีคําว่าโสรถยานสิผมส่เพราะว่าเรียนภาควิธรรมถึงขั้นแตประหยา ย, ยอ่า อ, อเราเคีย์ยานเข้าไปกดค้นหนาไม่พบคําว่าโสรถยานในพระไตรปิฎกบาลีสามรัตน์เห็นไหมเป็นคําที่ถูกแต่งขึ้นประมาณพันกว่าปีภายหลังอยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรต์แต่ไม่มีในบาลีสามรัตน์อ่า เพราะนั้นคุณธรรมพระโสดาบัน40วรยะโยมจะไม่เจอโสรตยานโยมเคยได้ยินยานาวัตถุ44ไหมไม่เคยยานาวัตถุ77ไม่เคยคุณสมบัติโสดาบันเห็นไหมคำพระเจ้ญญาจะถูกเพิกถอนไปเราจะลืมแต่เราจะไปเจอบัญญัติใหม่และเราจะไปทรงจำของใหม่ๆซึ่งไม่ใช่สัจจะนี่คือปัญหายาอ่าใช่ใช่ไม่มีอยูไ่ไม่มีไม่มีในนี้เลยก็เรา หาไปแล้วนะพยายามจะสนับสนุนเขาอยู่เหมือนกันนะแต่หาไม่เจอพยายามแล้วนะหาไม่เจอจริงๆถ้าเจอสักสูตรหนึ่งจะเอามายืนยันให้นะเนี <c oughs> ่ยสําคัญมากโยมเพราะว่าไม่งั้นเรามีเครื่องวัดสอบกันผิดพระบงองค์ก็บอกว่าต้องเห็นนิพพานกี่รอบกี่รอบพระเจ้าไม่เคยบอกเลยนะหรือว่าต้องเห็นนโลกสวรรค์เลยมีอทธิปฏิหารไม่เคยมีเลยหมูสุดเลยโยมโสฬรบันทํายังไงรู้ไหม ผู้เจ้าถามสารีบุตรสารีบุตรเธอรู้ไหมคารวะที่นั่งอยู่นี้คนไหนเป็นโสตะบันพราะสารีบุตรก็ไม่กล้าตอบนะถูนให้ผู้เจ้าตอบผู้เจ้าบอกสารีบุตรดูอย่างนี้คารวะผู้นั้นเนี่ยมีคุณธรรมสองประการไหมหนึ่งเขาพ้นจากภัยเวร5ประการหรือ ย, อยังสินห้านั่นเองนะเห็นนะพื้นฐานมากเลยโยมกรรมมาที่สิน5้าตัวเองอะ่ะบริสุทธิ์หรือ ย, อยังใช่ไหมอ่าคุณธรรมอย่างที่สองเขามีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่น ไม่วันไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีศีลอันเป็นที่รักของพระอริยเาคือศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยหรือไม่เรียกโสรตาปฏิยังคัตสีองค์คุณความเป็นโสดาบันสประการเห็นนะอ่านั้นถ้าเขามีสองคุณธรรมนี้คือพ้นภัยเวรหประการและโสรตาปฏิยังคัตสีให้คนคนนั้นพยากรตนและตนนั่นแหละว่าเป็นพระโสดาบันแล้วไม่ต้องให้ใครพยากรไม่มีใครพยากรใครได้ นอกจากศาส ด, ดาองค์เดียวสิ่งที่จะพยากรณ์ได้ก็คือตนเองเพราะพระศาส ด, ดาวางหลักธรรมไว้ให้ตรวจสอบตนเองเห็นนะชัดเจนนะนเนี่ยเป็นอย่างนี้โยม <c oughs> การสวดมนต์ก็เหมือนกันก็ทำไว้ให้ <c oughs> มันเยะ น, นะ่มันหลเล่น <c oughs> <อ>นี่เป็นพุทธวจนะทั้งหมดเกี่ยวกับการสาธยายธรรม อาจมาไปถามพระพันกว่าองค์ไม่มีใครทราบโยมเป็นเรื่องแปลกที่สุริน700องค์นะ <c oughs> นี่คือภาพที่สุริน700องค์ที่บุรีรัมณ์นะอีก400องค์นะนี่ที่บุรีรัมณ์วัดป่าเขากระเจียวที่ถ้ำดาวเขาแก้วโคลาดอีก400องคาา์คารวะอีก300กว่าคนอุบาสกอุบาสิกาเกือบพันคนถามพระอาจารย์แต่ละท่าน ไม่รู้ว่าพระศาสดาตัวเองสาธยายอะไรเหมือนกันเห็นนะถามเรื่องแก้กรรมไม่มีพระทราบบอกขอแก้กรรมที่ศาสดาบัญญัตินะครับท่านอาจารย์ทั้งหลายไม่มีใครทราบเลยโยมนะแต่สอนโยมคล่องแคล่วเลยนะนอนในโรงฟาดเขาวคุมรถเต๋ออะไรนะได้หมดเลย <พบ S 1> เใช่ไหมแต่อใช่แต่พอผมออบอกผมขอที่พระพุทธเจ้าบัญญัตินะไม่มีใครตอบได้เลยโยมนะอ่า เพราะนั้น <c oughs> นี่เป็นปัญหาของพระทั้งประเทศเหมือนกัน<ม>เราจึงต้องให้ความรู้ตรงนี้<ม>เพราะฉะนั้นศาสดาสวดอะไรโยมนะศาสดาสวดนะกฎอิทัพปัจจะตาสี่บรรทัดเองอิมัสมิงสติทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุ ป, ปาธาอิทางอุปัสติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอาสติทางนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มี อิมั ส, สะนิโรธาอีทางนิรุชติเพราะการดับไปสิ่ง น, นี้สิ่ง น, นี้จึงดับไปนะหมูมะมแป๊บเดียวไม่ถึงห้านาทีสวดเสร็จแล้วอู้ยมไปนั่งสวดกันสองสามชั่วโมงนะเนี่ยเป็นอย่างนี้ <c oughs> และสวดอะไรอีกสวดปฏิจจสมุปบาท <c oughs> วงรอบเกิดและวงรอบดับเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิ ญ, ญญาณไล่มาจนกระทั่งชรลามรณะดับ เห็นนะอ่ า, าอความตายเกิดมาได้อย่างไรและความตายดับไปได้อย่างไรเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณจนกระทั่งแก่เจ็บตายดับศาสดาอยู่วิเวกหลีกเล่นผู้เดียวสวดอย่างนี้นะมีภิกษุรูปหนึ่งไปแอบฟังผู้เจ้าสวดผู้เจ้าสวดเสร็จปั๊บเนี่ยผู้เจา้าก็หันไปบอกภิกษุเธอได้ยินแล้วไม่ใช่หรือเธอจง ส่งไว้เธอจงเล่าเรียนนะเธอจงทรงไว้ทำปริญายนี้เป็นประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งปรหมจรรย์เห็นไหมสั่งภิสุจน์ำนะอ่าเห็นไหมที่เราสวดจะเป็นบทประพ enfin, well ันของพระพุทธกฎวจนะของพระมหาสมณเจ้าอ่าบ้างสาวกบ้างคนนั้นบ้างคนนี้บ้างจีปาถะระยมเยอะแยะใช่ไหมอ่า ซึ่งการสาธยายธรรมผู้เจ้าให้สาธยายของใครของพระพุทธเจ้ามีบอกไว้เสร็จเลยเรื่องหลักการสาธยายธรรมโดยไม่ต้องคิดเองประโยชน์การสาธยายธรรมมีเจ็ดพระสูตรรวมมาให้หมดแล้วเ <laughs> ห็นไหมเนี่ยสืบค้นในคําศาสดาเป็นยังไงบ้างผู้เจ้าบอกว่าเพื่อความตั้งมั่นของพระสัตธรรมเป็นเครื่องให้ถึงวิมุติ เป็นอาหารของความเป็นอุตสูตเป็นองค์ประกอบของการเป็นบริษัทที่เลิศทําให้ไม่เป็นมนตินเป็นบริขารของจิตเพื่อความไม่มีเวรไม่เบียดเบียนเป็นเหตุให้รัความง่วงได้นะแล้วการสาธยายธรรมที่เป็นไปเพื่อวิมุตทาอย่างไรอันดับแรกคือต้องสวดคาพระพุทธเจ้าก่อนเห็นนะเราไม่ได้สวดคําพุทธเจ้าผิดตั้งแต่ข้อที่หนึ่งแล้ว <c oughs> <c oughs> พลาดใช่ม <c oughs> อย่างที่สองพ <c oughs> พุทธเจ้าบอกต้องเข้าใจ นั้นถ้าเราสวดแต่บาลีอย่างเดียวไม่เข้าใจก็พลาดข้อที่สองเห็นไหมท่องอย่างเก่งเลยปานาติปาตายเวลมันิกแต่ข้าศัตรลอร์ตใช่ไหมไม่สงประโยชน์น ะ, อ, ะอย่างที่สามต้องเกิดปิติจากความเข้าใจในธรรมนั้น <c oughs> อย่างที่สี่ต้องเกิดความสุขอย่างที่ห้าจิตต้องตั้งมั่นนี้เป็นการสาธยายธรรมที่เป็นไปเพื่อวิมุติหลุดพ้นได้เห็นนะภาษาบาลีเรียกสัจชายะ ที่โยมได้ยินเขาพูดว่าสังวัทยายนี่ไม่ใช่บาลีนี่เป็นภาษาสันสกฤตไปตรวจดูแล้วภาษาบาลีใช้คำว่าสัจชายะแปล ว, ว่าสาทยายธรรมหรือทีเ่เราเรียกว่าสวดมนต์นั่นเองนะอ่า <c oughs> ใช่บ้างไม่ใช่บ้างอย่างออติปิโสเนี่ยใช่ <c oughs> นะม <c oughs> มงคลก็มีมงคลสาสิแปดเนี่ยเป็นพุทธวจนะ อย่างอื่นเนี่ยไม่ทราบเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีการแต่งแบบบรรทัดต่อบรรทัดอะไรอย่างเงี้ยแต่งหลายสไตล์มากออืก็ต้องเช็คจากบาลีสามนัดพีโยมใช่บทนั้นเนี่ยให้เขาตอบมาสิว่าเขาเอามาจากพระสูตรไหนสแกนปุ๊บปินาทีเดียวจะเจอถ้าไม่เจอแสดงว่าคุณแต่งเองอ่แค่นั้นเองใช่เยอะมากสูใช่อ่า เวลาผมท่านแรกผมฟังพระสวดมนต์นี่นะครับออืแล้วก็ไปฟังพระสวดของขันนี่นะครับเขาคิดว่าคําสวดมนต์ทั้งหมดนั้นคือของคือคาถาศักดิ์สิทธิ์มีความเข้าใจอย่างนั้นผมว่าชาวพุทธ่าประเทศเข้าใจเป็นอย่างนั้นคิดอย่างนั้นครับใช่าพระสวดมนต์ในโบสถ์หรือสวดมนต์ในในวันมงคลต่างๆอเหมือนกับสวดคาถาศักดิ์สิทธิ์ให้คนไปฟังแล้วเกิดเกิดรู้สึกครั้งรู้สึกในสารพัดเน่ยนะครับ ที่พอกับผมได้มาอาบทาแปลแล้วรู้สึกว่ามันเป็นธรรมะโอ้มันมันคือธรรมะนั่นเองทิ้งไปหมดเลยใช่เคยที่เคยเชื่อมาแต่ก่อนเป็นคําสรรเสริญคาพูดพิจารณาใช่ใช่งนั้นเข้าสวดกันเพื่อทรงจําคําศาสนาให้ได้เยอะเพราะการทรงจําเป็นหนึ่งในการรู้ตามซึ่งสัจธรรมสิบสองขั้นตอนคนคนหนึงจะรู้สัจธรรมได้ต้องมีสิบสองขั้นตอนหนึ่งในนั้นมีการทรงจําอยู่ด้วยนะ คือต้องมีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยโสตรลงฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้ถ่ายควรพิณาเนื้อความที่ตนทรงจําไว้ทำทั้งหลายทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันท้าย่อมเกิดขึ้นผู้มีฉันท้ย่อมมีอุสาหะผู้มีอุสาหะย่อมพิณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรมสิขั้นตอนพระเจ้าไม่เคยตําหนิเรื่องการทรงจําใครทรงจําได้มากชื่อว่าเป็นผู้สั่งสมอาวุธไว้มากแต่น้อยสุดขอบทเดียว น้อยสุดเขาบทเดียวและก็ชื่อว่าเป็นตั้หูสุดด้วยถ้ารู้แค่บทเดียวแล้วปฏิบัติทราสมควรแก่ธรรมพอแล้วหลุดพ้นได้เห็นนะนี่แนะนไว้เล่มะฮะชเหมาะที่ว่าเราจะนอนอ่านได้ใช่ใช่ใช่เราเล่มใหญ่นอนอ่านดีไหมครับไม่เล่มใหญ่ไม่ไหวนะเนี ก็เลยทําเป็นเล่มเล็กๆมาให้พกติดกระเป๋ายอมได้ไงอ่ไปนั่งรอใครนั่งในรถกําลังอ่านได้สบายๆนะอืเนี่ยก็เลยทํามาอันนี้ก็ทําให้กับโรงเรียนกลุ่มวิถีพุทธิพันธ์กว่าโรงเรียนจะโคดพสุทธิ์พระรเจ้าไม่เกินสองสามนาทีเพื่อให้เข้าไปอ่านให้นักเรียนฟังทั้งโรงเรียนบอกฟังครูใหญ่พูดบางทีครึ่งชั่วโมงสิบนาทีสิบ้านาทีขอฟังพระเจ้าบ้างได้ไหมขอไม่เกินสามนาที สละเวลาในยี่บสี่ชั่วโมงขอสามนาทีแค่นั้นอ่าเนี่ยพระสูตรทั้งนั้นจะได้สกิดใจเด็กไนงะแล้วในห้างร้านองค์กรหน่วยงานใดก็ตามเอาไปใช้ได้หมดใช่ไหมอ่าหน่วยงานของตนเองก็สละเวลาสักนิดนึงอ่ะมาฟังคำพุทเจ้าทุกเช้าอย่างเนี้ยนะอ่ากำลังอารมณ์เสียมาก็ฟังแวโอ้สบายใจขึ้นเห็นไส่วนสามเล่ม น, นี้จะเป็น เ, เล่มง่ายๆนะ จะเป็นพระสดรง่ายๆที่รวบรวมไว้ให้สำหรับผู้ใหม่นะก้าวย่างอย่างพุทธะตามรอยธรรมปฐมธรรมนี่ก็ผู้ใหม่ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็ผู้ใหม่คารวะชั้นเลิศทำตัวอย่างไรให้เป็นคารวะชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นบวรชั้นสูงสุดกว่าคารวะทั้งหลายในโลกนะอ่ารวมไว้ให้หมดนะดีมาง่ายขึ้นไหมชีวิต <laughs> นะอ่า ได้ไหมครับต้องใสสรรเสริญในความคิดอันนี้นะครผมคิดว่าชาวพุทธถ้าไม่ถ้าไม่พัฒนาทางด้านนี้ช่คนรุ่นใหม่จะรับรู้แล้วช่คนจะมองพระตะเป็นดลบเป็นเรื่องของไม่เหลือไม่เหมาเป็นของเรื่องยากเป็นของที่ไม่กล้าอ่านไม่เชื่อก็ไม่กล้าไม่เชื่อกลัวมาใช่อย่างไหมมันหนักเหลือเกินไม่เชื่อก็นะเชื่อก็ไม่ไม่เชื่อก็ไม่กล้าใช่ไหมครับผมว่าถ้าย่อยมาอย่างนี้จะทําให้คนรุ่นใหม่ ผม่เป็นเป็นเนอาณิสงฆ์จริงๆครับของชาวพุทธบรรพที่จะเห็นหนังสือชุดนี้นะครับผมว่าถ้าชาวพุทธเราต้องยึดพันธีตกแล้วเนี่ยถ้าเป๋เมื่อใดผมว่าเราก็คงจะหมดเรียบร้อยเลยศาสนาหมดนอาจารย์ได้แยกแยะพุทธวจนะอืออกมาได้ชัดและเป็นหมวดเป็นหมู่และหาง่ายบางทีอันนี้อยู่ในเล่มนี้อันนี้อยู่ในเล่มนี้มันกระจายกันหายากใช่ใช่ใช่ว่าเน้นทให้คนจะสนใจอ่าน คออะไรหมดทุกงานานรู้อริเคยยินขั่นแรกแต่ผมไม่เคยเห็นท่านนะไม่เคยเห็นจริงๆเคยยินแต่ชื่อวันนี้เนี่ยมีคนบอกให้ผมมาหาท่านผก็เลยมาได้เห็นแล้วได้ฟังครัท่านเป็นสมัยใหม่มากอืือออย่างนี้แหละครับผมแทนที่จะไปเล่าเรื่องราวอะไรต่างๆว่าคำสอนนี่หลักเป็นหลักของคนที่ต้องยึดในอานะคอคอือะไรหมด เอาฝากดวงติดสิเป็นสิทธพระพุทธเจ้ากันทุกคนนะเชิญเชิญใครใครมีปัญหาเนี่ยที่จะเรียนถามไหเวลาก็ใกล้อะอะเสร็อะแถมนิดหนึ่งอะเชิญการเรียนถามเรื่องจิตครับอ่าฮะวันนีนาทีใดที่นาทีหนึ่งเนี่ยเรามีจิตมากกว่าหนึ่งอวงเกิดมากกว่า ไม่ได้บอกไว้ว่าเกิดดับทีขนาดไหนเป็นยกตัวอยา่างอ่าฮะอ่าฮะหรือว่าผมมือจนหนังสืออือฮึอ่านหนังสืออือฮึหูฟังพี่ยุอือฮึขาดเดียวกันก็เลือกดูทีวีด้วยอือฮึขณ น, นั้นจิตเกิดพร้อมกันสี่ดวงห้าดวงแล้วทำํำยาไปพร้อมกันอ่าฮะรับประทานที่เดียวกันอืมฮนะึอือฮึอออ นี่คือความไวของของจิตที่เกิดดับนไงนั้นจิตนี้มันเกิดดับเรียกว่าหนึ่งในล้านวินาทีเลยมันปิดเดียวเร็วมากผู้เจ้าจึงบอกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมไม่มีทางรู้ตลอดอนันตการเลยว่าจิตเกิดดับเพราะมันไวสุดยอดของความไวแกร ป, ปมันเล็กมา ก, ก, ม ก, มากผู้เจ้าเรียกอย่างว่าช่องว่างในที่ครับแคบน้ำโยมจะเข้านิพพานได้เนี่ยต้องจิตตรงนี้ดับตรงนี้เกิดแสดงว่ามันต้องมีแกรปนิดหนึ่งเห็นนะ มันต้องมีแกปนิดหนึ่งขนาดที่จิตดวงนี้ดับนะยมลองหยุดภาพนะถ้าเป็นสโลโมชันนะวิญญาณดวงนี้ดับนั่นคือรูปดับที่ลมหายใจเราเกาะใช่ไหมรูปดับคือลมดับวิญญาณดวงนี้ก็ดับวิญญาณดวงใหม่ก็ยังไม่เกิดใช่ไหมนามก็ยังไม่มีใช่ไหมระยะเวลาสักหนึ่งในล้านวินาทีตรงเนี้ยนี่คือความว่างที่ไม่มีวิญญาณและไม่มีนามรูปพระเจ้าบอกณนะที่ใดไม่มีวิญญาณไม่มีนามรูปนั่นแหละคือที่สุดของทุก นั่นคือเราผ่านวิมุติอยู่ตลอดเลยโย่เห็นนะแต่เราไม่รู้เพราะเราดันไปยึดวิญญาณยึดขันห้าเป็นตัวเราของเรานะพระเจ้าจึงเรียกตรงนี้ว่าช่องว่างในที่คับแคบมันเล็กมากเนี่ยบอกว่านนเนี่ยเหมือนขนทรายเนี่ยเอามาผ่าแล้วเจ็ดแหล่งเธอจะแทงขนทรายด้วยขนทรายง่ายมไหมไม่ง่ายยากมากทีนี้ขนาดนั้นเราก็มีจิตมากกว่าหนึง่งเป็นตัวมาก จิตมากมายมหาศาลเป็นแสนเป็นล้านเลยแต่ยึดทีละดวงนะมันยึดได้ทีละดวงทีละดวงและวิญญาณก็ตั้งอาศัยได้แค่ทีละธาตุอ่าในสี่ธาตุนี้ถ้าขณะที่ตั้งธาตุนี้มันจะไม่ตั้งในอีกสามธาตุมันจะตั้งได้ทีละธาตแค่นั้นอืมที่มันขัดขัดแย้งในความคิอที่ว่าอ่าว่าจิตเปยึดในสัญญาอืมคือมันคิดว่ามื่อวานทํ า, าทอะไรบ้างในณนาทีนาทีนั้น ก็ดูทวทัศน์ไปด้วยออืมันก ouais> ็คือเป็นวินาทีเดียวกันวินาทีเนี่ยท oh, ี uh ่เรพูดว่าจิตมีสจิตใช่วินาทีเนี่ยมันกว้างมากเพราะจิตมันออืเซี้ยวของเซี่ยวของเซี่ยววินาทีอยู่ไม่ทันมันแต่ว่ามัจิตเดียวแต่มันโดดไปโดดมามันไม่ได้โดดไปมาแต่มันดับมันเกิดนะภาวะของผู้มีอวิชาเป็นเครื่องก้านเป็นคนเข้าไปยึดถือนะอ่า ต้องนั่งสมาธิบ่อยๆเลยค่อย ๆ, ค, อยๆ ค, อยค่อยควรตรงนี้เรื่องยากนิดหนึ่งนะสมมุติว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยทรงจำคำพุทธเจ้าวไว้ก่อนณนวันหนึ่งที่เราใกล้ๆหรือถึงเราจะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นยางไงก็เร่มสติบ่อยๆถ้าจะถึงข้างที่ว่าสรงาระเจ้าอะไรทุกต้องทุกต้องเลยทุกต้องใช่เจี่อะๆยวาไงนะ <c oughs> ตรนั้นที่เปียก็หาเกิดกับนะเจ้าค่ะตรงนั้ น, น ไ, ไม่มีผได้ตรงนั้นคือสภาวะนิพพานเพราะสภาวะนั้นคือไม่มีวิญ ญ, ญาณกับไม่มีนามรูปและผู้เจ้าตรัสไว้เป๊ะเลยว่าสติเป็นที่แล่นไปสู่วิมุติยังโยมกําลังเคลืนในอารมณ์ใช่ไหมแล้วโยมมีสติกลับมาที่กายใช่ไหมผ่านวิมุตแป๊บหนึ่งเห็นนะะผู้เจ้ า, าจึงบอกสติการระลึกได้เนี่ยเป็นที่ล่นไปสู่วิมุตตรงเป๊ะหมดเลย ใช่ใชก็เข้านิพพานได้<ม>น ะ, ะแต่เรามักจะยึดวิญญาณดวงใหม่ตลอดเพราะเรายึดถือวิญญาณเป็นตัวเรามาตลอดการช้านานก็เลยปล่อยไม่ได้สักทีนี่แหละที่มีสติตลอดถูกต้องอย่างสติไม่ใช่ใ น, นิพพานพูะเจ้าบอกตัวสติทำให้เรากำลังแล่นไปสู่วิมุต นะเพราะอาชิตะถามพระศาสดาว่าสติและปัญญาดับไหมเพราะนึกว่าสติคือนิพพานเหมือนกันนะหรือปัญญาคือนิพพานศาสดาบอกว่าอาชิตะสติและปัญญาดับอ้าวฝึกกันมาแทบตายมาฝึกของเกิดดับอีกแล้วใช่ไหมนี่เห็นนะ <c oughs> ผู้ชาบอกอาชิตะสติและปัญญาดับนะเมื่อนามรูปดับนามรูปดับ เมื่อวิญญาณดับเห็นไะหอ่าเพราะฉะนั้นสติปัญญาก็คือตัวนามรูปและนามรูปเนี่ยจะดับไปได้เพราะการดับของวิญญาณสติจริงไม่ใช่นิพพานปัญญาจริงไม่ใช่นิพพานเห็นไะหแต่เป็นเครื่องนําพาเราเข้าสู่นิพพานนั่นเองนะเสร็จแล้วต้องปล่อยวางทั้งหมดเพราะนั้นเราฝึกสติคือฝึกกิเลสนั่นเองแต่เป็นกิเลส ท, ที่เป็นประโยชน์ต่อการได้นิพพาน นั่นคือพระศาสดาเป็นผู้ฉลาดในการหยิบกิเลสมาเพื่อละหวางกิเลสเห็นไหมโอ้สุดยอดเลย <c oughs> เพิ่มความลึกซึ้งอีกกันนะอ่า <c oughs> พระอาหานต <c oughs> พระอนคือไม่ต้องเจริญสติแล้วคือสติสมบูรณ์ตลอดเวลาคือหลุดพ้นแล้วปับ๊บนั่นคือสติสมบูรณ์ นั้นผูเจ้าจัดเนี่ยพระหันมีสติสมบูรณ์ตลอดนะนั้นเครื่องวัดพระหันจึงเหมือนกับไม่ได้เป็นพระหันเลยคือราคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้โทสะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้โมหะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้ราคะโทสะโมหะเกิดรู้ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งดับเกิดจนกระทั่งดับใครจะรู้ได้ขนาดนี้โยมถ้าไม่ใช่พระหลานนะโยมทันเกิดไม่ทันดับมั้งทันดับไม่ทันเกิดใช่ไหม เผลอตลอดเลยนี่นะ่ะเห็นนะมันจะมีกำถามต่อเนื่องถ้าสมมติเราตื่นได้ยี่สี่โมงหรือว่ารู้รูตลอดเวลาในช่วงที่เราหลับสนิทหรือโดนวางยาสลบเนี่ยอืจิตเราจะป็นออ๋อไม่มีใครทําตรงนั้นได้นอกจากพระละหันไงใช่ไหมและเมื่อพระละหันแล้วก็คือปล่อยวางขันธ์ห้าหมดแล้วนะจิตจะไปทํางานอย่างไรก็เรื่องของมัน พระหันก็ไม่มีตัณหาที่จะไปทําอะไรหรือไม่ทําอะไรกับขันห้านั้นเพราะรู้แล้วว่าขันห้าไม่ใช่ตัวท่านของท่านส่วนพระเสกค่ะต้องฝึกที่จะละที่จะวางนะฝึกสติให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนกระทั่งวินาทีเดียวไงจิตหลุดไปพวกวินาทีเดียวระดับนั่นคือพบเกิดตัดเดียวระดับใช่ไหมอ่าและต้องเร็วกว่านั้น พบเกิดแตะเดียวแล้วดับเนี่ยประพริบตาเดียวผู้เจ้าชมว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลยใช่ไหมต่อไปโยมต้องเร็วกว่านั้นแค่มันขยับปั๊บจะไปเนี่ยโยมต้องรู้ตัวแล้ว<ม>และยกใช่ทุกขณะและโยมต้องรู้จนกระทั้งว่าจิตเนี่ยที่เกาะตรงเนี้คยค่อยๆจางคลายและดับไปพอดับปั๊บเนี่ยปล่อยวางตรงนี้ทันไหมถ้าทันก็เข้าวิมุติถ้าไม่ทันก็เกาะจิตดวงใหม่ต่อไปเห็นนะนะนี่ถ้าเรา slow โ o ชั่นจะเห็นเป็นอย่างนี้เห็นไหม อ่าเพราะนั้นไม่มีจิตวิ่งจากนี่ไปนี่นะไม่มีจิตที่เคลื่อนจากนี่มาไปเนี่ยดวงหนึ่งดับดวงใหม่เกิดดวงหนึ่งดับดวงใหม่เกิดตลอดเวลาเลยอย่างนี้นใช่มอ่าเกิดเ ด, ดับเพราะแค่สดวงะอ่าไม่ไม่มีคือจิตมีเต็มโลกธาตุจะเกิดดับทีละดวงผู้หลงยึดถือทีละดวงนะอ่าเราเราอยากสมควรแก่เวลาวั น, นีนะนะคะเวลา ถึงเช่นคืนก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าเนื่องจากว่าเรามีภาระที่ต้องกลับบ้านนะคะพระสุนท่านก็มีภาระที่ต้องกลับวัดนะคะเพะฉะนั้นเราก็ขอจบการบรรยายจะเพียงเท่านี้ได้คิดว่าโอกาสหน้าคงหนุนอ่าด้วยเหตุปัจจัยที่พวกเราทั้งหลายได้กระทํามาในวันนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะก็ขอให้เป็นเอกป ปัจจัยให้พวกเราเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าในธรรมะของพระตถาคตนะได้รู้ธรรมเห็นธรรมในธรรมะของพระตถาคตมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคิดหวังสิ่งใดให้สําเร็จสมความปรารถนาที่สุดขอยได้ดวงใจเห็นธรรมสาเร็จมรรคผลนิพพานในนาคตการันใกล้โดยทุกหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ